พวกเราเคยเคยเดินจงกรมกันไหมเดินกันเป็นไหมเดี๋ยวจะสอนเรื่องการเดินที่จริงการเดินเนี่ยทำยังไงที่เราจะทำให้เรารักษารักษาอารมณ์รักษาที่เราจะดูอนาบานาสติด้วยเนี่ยนะ มือเราอยู่เรามือเขาไว้ตรงไหนที่รู้สึกว่าตราไม่เราดูว่าสะดวกที่สุดไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังอันไหนสะดวกที่สุดด้านหน้าใช่ไหมวิธีการเดินเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าเท้าเราเนี่ยเวลาเรายกเท้าขึ้นเนี่ยให้สัมพันธ์กับการหายใจยกเท้าขึ้นเนี่ย เวลายกเท้าขึ้นให้สัมพันธ์กับการหายใจเนี่เราเราอาจจะยกเฉพาะส้นเท้าขึ้นปลายเท้าจิกอยู่ก็ได้เหหเนี่ ย, ย, ห, ยหรือบางคนอาจจะยกขึ้นมานิดหเวลายกขึ้นใน ห, หายใจเข้าเวลาเท้ายกขึ้นแล้วก็สืบเท้าไปข้างหน้านี่หายใจออกเพราะถึงพื้นก็สุดลมหายใจพอดีเห็นหยกส้นขึ้นยกเท้าขึ้นก็หายใจเข้า พอสืบเท้าไปหน่อยก็หายใจออกพอถึงพื้นก็หายใจสุดพอดีให้ให้ให้เกิดอาการสงบมาเนะื้อหายใจแบบธรรมดาเดินแบบไม่ต้องเกรงนะเดินแบบสบายสบายแต่ให้มีการสัมพันธ์กันระหว่างยกเท้าขึ้นหายใจเข้า ส, สืบเท้าไปข้างหน้าหายใจออกพอเท้าถึงพื้นก็สุดลมหายใจออกพอดี เนี่ยค่อยๆเดินหายใจเข้าหายใจออกลักษณะอย่างนี้จะได้สองอย่างนะได้สุขภาพด้วยได้ดูแลสุขภาพด้วยได้สมาธิด้วยจากการเดินด้วยแล้วไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องบริกรรมเลยอันนี้เ็าเรียกจริงๆแล้วเนี่ยมันมี นักวิจัยท่านหนึ่งเขาวิจัยระบบการเดินแบบนี้จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมาก็มองเห็นว่าเออพวกเราเนี่ยจเจริญอาณาบรรณสติกันอยู่แล้วก็คือทำเหมือนอะไรนะเหมือนออแม่โคแม่โคปากและเล็มหญ้าตาชมเรลืองดูลูกน้อยแม่โคลูกอ่อนเนี่ยนี่ก็เหมือนกัน เออเราเดินยกเท้าข ah, ึ้นสือบเสืท้าไปข้างหน้าเวลายกเท้าขึ้นก็หายใจเข้าสือเสือบท้าไปข้างหน้าหายใจออกพอเท้าถึงพื้นก็สุดลมหายใจพอดีบางคนก็หายใจเร็วบางคนก็หายใจช้านี่บางคนก็หายใจเร็วบางคนก็หายใจช้า ไม่ต้องสนใจคนอื่นนะแต่ทำจิตใจให้เบิกบานด้วยนะเวลาเดินทำจิตใจให้เบิกบานด้วยอย่าไปเครียดให้ทาจิตใจแบบสบายๆพอเดินได้สักระยะหนึ่งมันจะสัมพันธ์มันจะสัมพันธ์นนกับการหายใจการหายใจกับการเดินจะเริ่มสัมพันธ์กันใหม่ๆจะไม่ค่อยสัมพันธ์ การยกเท้าขึ้นสืบเท้าไปข้างหน้ามันยังเก้ะก๊กลางๆอยู่แต่พอระยะหนึ่งแล้วเดินเข้านาเข้ า, า, ขามันจะเริ่มเห็นมันจะเริ่มเห็นการหายใจเข้าหายใจออกแล้วเห็นการเดินสังเกตดูในการเดินนะว่าเราไม่ไม่สนใจบุคคลอื่นเราอยู่ในอาการที่สํารวม และจิตก็เป็นสมาธิแม้ขยับแม้หมุนตัวสังเกตดูไหมการหมุนตัวก็จะมีการยกเท้าสืบเท้าไปข้างหน้ามันก็สัมพันธ์กับการหายใจทั้งหมดเลยนะแม้เดินเป็นสุดแล้วเนี่ยกลับเนี่ยแม้เราจะกลับก็การหายใจการยกหายใจเข้าวางเท้าลงหายใจออกการยกเท้าหายใจเข้าเท้าลงก็หายใจออกมันจะสัมพันธ์กันหมดเลย เราจะเห็นอ๋อมันเริ่มจิตใจมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องคนที่ฟุ้งซ่านได้ด้วยใครที่ฟุฟง้งๆหรือว่าง่วงด้วยซึมด้วยอะไรด้วยเนี่ยแก้ได้เลยนะอาการง่วงอาการซึมอาการเกียดค้านทั้งหลายเนี่ยช่วยได้สิ่งที่เรา ควรใส่ใจอีกอย่างหนึ่งก็คือให้นึกเกิดความโภมใจนะเราได้เดินตามรอยบาทพระศาสดาพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นทางสายเดียวหรือทางสายเอกที่ทำให้เราสัตว์นั้นบริสุทธิ์ สามารถที่จะล่วงพ้นความโศกความร่ำไรลำพันธ์ได้และหนทางนี้แหละเป็นไปเพื่อความดับทุกข์และทมนัสได้หนทางนี้หมายถึงการเจริญสติปัฏฐานเนี้ยเป็นไปเพื่อบรรลุอริยมรรคและสามารถเห็นแจ้งพระนิพพานได้หนทางนี้ก็คือการเจริญสติปัฏฐานสประการ คำว่าเอกายณะเนี่ยมันมีอยู่5ความหมายเอกายณะการเจริญอานาพนสติเนี่ยเป็นหนึ่งในสถิปต e ิฐาน4เอกายณะเนี่ยหมายถึงทางสายเดียวนั่นไงทางสายเดียวมันมาจากคาว่าเอกโออายโนเอกายโนแปลว่าทางสายเดียว 2. ทางที่บุคคลผู้เดียวพึงดําเนินไป เป็นทางที่บุคคลผู้เดียวพึงดำเนินไปประการที่สามทางของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเห็นไหมเรากำลังเดินทางสายเดียวที่ไปสู่พระนิพพานเนี่ยเป็นทางที่บุคคลผู้เดียวพึงดำเนินไปสามก็คือทางของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ประการที่สี่ก็คือเป็นทางดาเนินไปในศาสนาเดียวก็คือศาสานานี้มีศาสนาเดียวนี้เท่านั้นแหละที่มีทางแบบนี้ถึงใช้คำว่าเป็นทางดาเนินไปในศาสนาเดียวประการที่หาทางดาเนินไปสู่พระนิพพานอย่างเดียวไม่ได้ไปที่อื่นฉะนั้นทางดาเนินไปสู่พระนิพพานอย่างเดียวเนี่ย มาจากคาว่าเอกังอายติติเอกายโนะแปลว่าทางดําเนินไปสู่พระนิพพานอย่างเดียวนั้นมองอย่างนี้จะได้เห็นว่าอ๋อเนี่ยเราได้มีโอกาสปฏิบัติเดินตามรอยเดินทางสายเดียวเดินทางที่บุคคลผู้เดียวพึงดําเนินไปเดินทางของเป็นทางของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ดันั้นในขณะที่เรากําลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในขณะที่เราลึกดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่นะเป็นต้นเนี่ยมันทําให้เกิดความชื่นใจว่าพระพุทธเจ้าทรงดําเนินในทางสายนี้และเราก็กําลังดําเนินเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดําเนินไป ฉะนั้นมองอย่างนี้ก็เลยทำให้เห็นเห็นได้ชัดขึ้นว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงสติปัฏฐานสีเนี่ยในพระไตยปิฎกพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในเรื่องของกายเวทนาจิตและก็ธรรมะฉะนั้นการที่จะเราจะล่วงพ้นจากความโสก ค, ความล่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเนี่ยก็โดยทางสายนี้โดยทางสายนี้เนี่ย ถ้าถามว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสติปัฏฐานสี่เป็นทางสายเดียวแห่งการบรรลุพระนิพพานความจริงในโพธิปกักยะธรรมก็ยังมีหมวดธรรมอื่นอีกเยอะเช่นสมบัติทานอิทธิบาทอินทร์พรละโพชงอริยมรรคเนี่ยก็เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานไม่ใช่หรือเหตุผลก็คือว่าสติปัฏฐานเป็นธรรมหลักในโพธิปกักยธรรมปิปัาน เป็นธรรมหลักในโพธิปัจญยธรรมนั้นมีสัมมาประธานเป็นต้นนั้นองค์ธรรมที่สนับสนุนในการเจริญเสถปยรฐานและก็รวดเร็วที่สุดก็คือกลุ่มธรรมะที่มีสัมมาประธานอิทธิบาทอินซีพลาโภชงอริมักอันนั้นเป็นธรรมะที่มาสนับสนุนทั้งนั้นเลยทีนี้ มาพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือคำว่าสติปฐานคำว่าสติคือการระลึกรู้กับคำว่าปฐฐานมีสองคำานีสติคำหนึ่งกับคำว่าปฐฐานคำหนึ่งคำว่าสตินี่คือการระลึกรู้การระลึกรู้เช่น <t> <She esh? S 1> เราระลึกรู้ที่ลมเข้าหรือลมออกอันนี้เป็นตัวสติ2คํคำว่าปฐฐาน <t> ปฐฐานก็คือการเข้าไปตั้งไว้ปฐฐานนะแปลว่าการเข้าไปตั้งไว สติปัฏฐานจึงหมายถึงการระลึกอยู่การระลึกรู้ที่เข้าไปตั้งไว้ในกองอะไรในกองของรูปของเวทนาจิตและธรรมะฉะนั้นปฏิบัติสติปัฏฐานก็เลยจึงมีอยู่สามความหมายเหมือนกันคำว่าที่ตั้งของสติก็หมายถึงอารมณ์ทั้งสี่ประการเช่นกายเป็นที่ตั้งของสติเวทนาเป็นที่ตั้งของสติจิตเป็นที่ตั้งของสติและสภาวธรรมเป็นที่ตั้งของสติ แต่ในที่นี้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นเป็นที่ตั้งของสติเขาเรียกว่ากายเห็นไหมตอนนี้เรากำลังมาเจริญกายยานุปัสสนานะงั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นที่ตั้งของสติอันนี้เขาเรียกว่ากายเวทนาจิตและธรรมะ ประการต่อมาก็คือสภาวธรรมที่พึงตั้งด้วยสติหมายถึงอะไรสภาวธรรมที่พึงตั้งด้วยสติก็หมายถึงการก้าวล่วงความยินดีและความยินร้ายสภาวธรรมที่พึงตั้งด้วยสติเนี่ยในขณะที่สติเข้าไปตั้งลมหายใจแล้วเข้าลมหายใจออกนี่นะไปตั้งอยู่รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยวัตถุประสงค์ เพื่อไม่ให้ความยินดีคือความยึดติดเข้าไปเข้าไปเกี่ยวข้องและไม่ให้ความยินร้ายคือความเครียดความกัดกลุ่มทั้งหลายเข้ามากุ้มรุมในใจในขณะที่กําลังจเจริญไปฉะนั้นเมื่อสติเกิดขึ้นมาแล้วสติจะเป็นตัวกําจัดหรือเป็นตัวจัดการไม่ให้เกิดความยินดีและไม่ให้เกิดความยินร้ายในขณะที่ปฏิบัติกิเลสทั้งหลายก็จะไม่เข้าไปกุ้มรุม ฉะนั้นถ้าสามารถตั้งสติที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยได้อย่างติดต่อต่อเนื่องเมื่อไหร่การปฏิบัติก็จะก็จะลดหน้าประการที่สสติที่เข้าไปตั้งไว้หรือสติที่ตั้งไว้อย่างมั่นคงฉะนั้นในตติปฐาน ในชั้นของอัจถริยะดีกาเนี่ยท่านให้ใช้ความหมายไหนระหว่างที่ตั้งของสติหมายถึงอารมณ์ทั้งสี่สภาวะธรรมที่พึงเป็นที่ทพึงตั้งวัติสติหมายถึงการก้าวร่วงความดีและความยินร้ายประการที่สสติที่เข้าไปตั้งไว้หรือสติที่ตั้งไว้อย่างมั่นคงให้ใช้ความหมายที่สามเนอะฉะนั้นคำว่าสติปฐานแปลว่าการที่ จเจริญหรือฝึกให้สติเข้าไปตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอย่างติดต่อและอย่างต่อเนื่องและอย่างมั่นคงถึงจะได้ในความหมายของการว่าจเจริญสติในที่นี้เริ่มจะประเด็นได้หรือยังอาจจะประเด็นได้เดี๋ยวจะลองฝึกกันสักระยะหนึ่งนะให้เราค่อยฝึกกันสักระยะหนึ่งแล้วก็จะค่อยๆให้เราได้ มาสังเกตเดี๋ยวจะให้เราสังเกตเป็นระยะระยะว่าเราสามารถเจริญกันได้แค่ไหนนะถ้าใครยังสงสัยจริงๆการเจริญสติในที่นี้หรือการเจริญสติปัะฐานในที่นี้ท่านขับเน้นถึงตัวสติที่เข้าไปตั้งไว้ สติที่เข้าไปตั้งไว้อย่างมั่นคงตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้ที่กองลมนะกองลมคำว่ามั่นคงเอาแบบไหนจึงเรียกว่ามั่นคงตั้งไว้ที่ปลายจมูกหรือริมพีปากเบื้องบนตั้งไว้ที่ลมวิ่งเข้าวิ่งออกตรงนี้แหละฉะนั้นท่านที่บอกว่ า, วาหายใจเข้าก็รู้นะมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก นี้แปลว่าเมื่อรู้เข้ารู้ออกอย่างติดต่อต่อเนื่องแล้วเนี่ยอันนี้แสดงว่าสติเริ่มมั่นคงหรือยังเริ่มแล้วถ้าจะให้เริ่มมั่นคงมากยิ่งขึ้นเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่ายาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าสั้นอันนี้แปลว่าเริ่มมั่นคงถ้าจะให้มั่นคงกว่านั้น แปลว่าสามารถรู้กองลมได้ตลอดสายเช่นหายใจเข้าเนี่ยก็สามารถรู้อย่างติดต่อต่อเนื่องเลยลมจะเข้านานแค่ไหนก็รู้อยู่ตรงที่ลมกระทบเข้าอย่างต่อเนื่องลมจะออกนานขนาดไหนก็รู้อยู่ที่ลมกระทบออกอย่างต่อนเนื่องโดยที่สติไม่ไปที่อื่นเลยการรู้อย่างติดต่อและต่อเนื่องอันนี้แปลว่าสตินั้นเข้าไปตั้งไว้อย่าง มั่นตั้งไว้อย่างมั่นคงและยังติดต่อเห็นไหมสติจะเริ่มมั่นคงมากขึ้นทีนี้ถ้าจะมั่นคงกว่านั้นก็แปลว่าสามารถเข้าไปตั้งไว้เนี่ยแม่ลมละเอียดละเอียดลงละเอียดลงขนาดไหนสติก็ไม่ลืมสติก็ยังสามารถเห็นลมรู้ลมได้อย่างต่อเนื่องตลอดติดต่อเลย โดยลมนั้นไม่หายไปไหนเลยอันนี้แปลว่าสตินั้นมั่นคงเอาเดี๋ยวเราจะไม่อธิบายเยอะแต่อยากจะให้เราฝึกแล้วก็อยากจะให้เราทำนะเราจะได้เห็นว่าอ๋อคำว่าสติที่เข้าไปตั้งไว้เนี่ยมันตั้งแบบนี้ และก็คำว่าสติที่เข้าไปตั้งไว้อย่างมั่นคงมันมีอาการแบบนี้มีลักษณะอย่างนี้คำว่าตั้งไว้อย่างมั่นคงเนะี่ยมีอาการที่เข้าไปตั้งไว้แบบติดต่อแล้วก็ต่อเนื่องถึงแม้เราจะนั่ง1ินาทีก็สามารถตั้งมั่นได้อย่างติดต่อต่อเนื่องเลยแต่ใครที่ยังไม่ได้อาการหรือลักษณะอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรขอเพียงให้รู้ว่าตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้ หายใจออกให้มีความรู้สึกว่าหายใจเข้าหายใจออกทีนี้ถ้าทําแล้วมันเกิดงดหงิดฟุง้งซ่านให้เจริญเมตตาก่อนให้ฝึกเจริญเมตตาให้เกิดความฉ่ําชื่นใจให้จิตใจเบิกบานให้จิตใจล่าเริงให้จิตใจผ่องใสเมื่อเมตตามีกําลังมากขึ้นแล้วเนี่ยจึงค่อยไปดูลมนะไม่ต้องรีบร้อน ไม่ใช่ไปรีบร้อนว่าฉันจะต้องดูลมดูลมดูลมนะถ้ายังไม่ได้ก็ก็แผ่มเมตตาเจริญให้จิตเอิบอิ่มเบิกบานผ่องใสเมื่อจิตเบิกบานผ่องใสแล้วก็จึงค่อยไปดูลมนะอย่าปล่อยให้ความง่วงเข้าและอย่าอย่าอย่าสักแต่ว่าหายใจทิ้งโดยไม่ให้กุศลเกิด นะอย่าอย่าหายใจทิ้งพระเจ้าบอกว่าคนพานเนี่ยมีชีวิตอยู่ก็หายใจทิ้งไปวันวันไม่ได้กุศลอะไรจากการหายใจเลย <c oughs> ฉันจะไม่ทำเป็นคนพานอีกแล้วใช่ไหมแล้วก็ให้ชื่นใจนะเมื่อเราได้ดูลมเข้าและลมออกเนี่ยอันนี้เป็นกรรมฐานที่พุทธเจ้าทรงบรรลุเป็นกรรมฐานที่พุทธเจ้าทรงดำเนินอันนี้เป็นทางที่พพุทธเจ้า อย่างนี้ทางสายเดียวเป็นทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐฉะนั้นเมื่อเราเจริญอานาปนสตินี่แปลว่าอะไรแปลว่าเรากําลังเดินตามทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงดําเนินไปแล้วเราก็จะเดินไปผู้เดียวนี่แหละแปลว่าเดินตามใครเดินตามพระพุทธเจ้าทางนี้เป็นทางของผู้ประเสริฐคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางนี้เป็นทางสายเดียวทางนี้เป็นบุกรทางของบุคคลผู้เดียวที่ดำเนินไปทางนี้เป็นทางดาเนินไปสู่มรรคผลนิพพานพอเห็นอย่างนี้เราจะเริ่มเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงเจอสภาวะเหล่านี้หมดเลยเช่นพระพุทธเจ้าเคยเคยเห็น ล, ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพระเจ้าเคยเห็นลมหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้น พระเจ้าเคยเห็นลมหายใจตลอดสายต้นลมกลางลมปลายล ม, ลมหายใจเข้าหายใจออกและพระเจ้าก็เคยระ ง, งับลมหายใจเข้าและหายใจออกที่ยาวให้ละเอียดไปเรื่อยเื่อยแล้วพระเจ้าก็เคยทรงอยู่พายในมิตของลมพระเจ้าทรงกำจัดนิวรธรรมได้พระเจ้าทรงได้ปฐมบัญชาธุติยะชาติธติยะชาติจตุธชาตเป็นต้นฉะนั้นทางนี้เป็นทางที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสรศิฐทรงดำเนินไปเราในฐานะที่เป็นพุทธบุตร ของพระพุทธเจ้าเราจะเดิเดนตามพระพุทธเจ้าไหมพอจะไหวไหมมีอะไรติดขัดไหมนั่งๆไปแล้วมันสักระยะหนึ่งแล้วมันจะเพลินๆเป็นไหมมันก็เพลินแต่ว่าสติก็เลื่อนลอยไปไงเงี้ยเป็นอย่างงั้นหรือเปล่า หรือสติมันตามตั้งมั่นอยู่ที่ลมติดต่อต่อเนื่องเลยหรือเป็นยังไงหรือมันมีการแทรกการหลับเป็นระยะระยะเปงลื่อนเป็นไ ง, ง, นไงใครสังเกตดูอาการนั่งนะว่าเรานั่งเนี่ยเออนั่งนานก็จริงแต่คุณภาพ คุณภาพของสติมันไม่ค่อยติดต่อต่อเนื่องเป็นไหมเป็นไม่เป็นเออเนี่ยยอมรับความจริงมาเสียจะได้สบายใจตัวเนื่คือสติมันไม่ค่อยติดต่อไม่ค่อยต่อเนื่องรู้ไหมว่ามันทําไมถึงเป็นอย่างนั้นบางครั้งเนี่ยเราด้วยการที่เรา เวลานั่งไปเนี่ยบางครั้งด้วยกำลังของการไม่ได้ระลึกบ่อยๆสติเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากการที่เราระลึกเพราะสติก็แปลว่าการระลึกรู้การระลึกรู้ปับฐานก็คือเข้าไปตั้งไว้ในความหมายคือสติที่เข้าไปตั้งไว้ก็คือสติที่ตั้งไว้อย่างมั่นคงมั่นตั้งไว้อย่างติดต่อและต่อเนื่อง แล่นก็ระลึกให้สังเกตดูว่าหายใจเข้าหมดไปหายใจออกหมดไปอยู่เนี้ยนะเราต้องเอาไปตั้งไว้เอาความรู้สึกเนี่ยที่ระลึกรู้เนี่ยตั้งไว้อย่างต่อเนื่องมันจะมีปัจจัยเยอะที่จะทําให้เราเนี่ยล่องลืมเช่นเสยียงบ้างปวดเมื่อยบ้างอะไรลบกวนมาก ปวดเมื่อยแต่นี่เพราะว่าจริงๆแล้วมันสมาธิยังไม่แนบแน่นถ้าบุคคลที่ปฏิบัติแล้วสมาธินแนบแน่นเนี่ยต่อให้มีเสียงยังไงมีอะไรรบกวอยังไมละละงไมันก็จะไม่มีอิทธิพลแล้วเพราะว่าอะไรทีนี้มันเหมือนว่าสติระลึกรู้ระลึกรู้อย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะระลึกรู้ระลึกรู้อยู่เนี่ย สมาธิยังไม่เกิดแต่ถ้าสมาธิเกิดเมื่อไรเนี่ยสมาธิก็จะแนบแน่นพอแนบแน่นตอนนี้มันจะเกิดสุขนั้นสมาธิที่เกิดเนี่ยคนจะมีความสุขมากในการที่นั่งนะที่ยังไม่เกิดตรงนี้ก็เพราะว่าบางครั้งการระลึกของเรามันเหมือนที่ได้บอกว่าเอาไม้มาสีกัน สีครั้งหนึ่งมันจะร้อนไหมเอาไม้แสสห้งอะไม้แห้งมาสีาาต้องสีบ่อยๆสีบ่อยๆฉะนั้นการระลึกรู้เนี่ยต้องระลึกอยู่ต่อระลึกอย่างถี่อย่างต่อเนื่องระลึกอย่างถี่และต่อเนื่องเมื่อเราระลึกอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วมันจะค่อยๆร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นไม้เนี่ยจะร้อนอาการร้อนของไม้นะคือการที่สมาธิมันตั้งมั่น นั้นคนที่ระลึกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แล้วก็รู้อย่างต่อเนื่องได้มากเท่าไหร่ก็เหมือนกับการเอาไม้แห้งมาสีกันสีเนี่ยพอสีกันมากขึ้นมากขึ้นนะเขา้านะเขา้าไม่ต้องสีแล้วพอมันร้อนแล้วเนี่ยการสีไม่ต้องแรงแล้วมันจะแค่ประคองใหม่ๆต้องใช้สติเนี่ยที่ระลึกรู้เนี่ย ให้เกิดให้ทีให้เกิดให้ต่อเนื่องแต่เมื่อเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วสติสติไม่ต้องใช้งานมากแต่ตอนนี้ต้องใช้อะไรมากต้องใช้สติให้มากแต่เมื่อสติระลึกรู้อย่างติดต่ออย่างต่อเนื่องแล้วนะเข้าสมาธิก็จะตั้งมัน่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วแต่นี้สติก็อยู่ในฐานะประคองเบาๆแค่นี้แหละ มันง่ายแบบนี้แหละแต่ตอนนี้ทั้งสติมันไม่ต่อเนื่องใช่ไหมเมื่อระลึกอย่างติดต่อและต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดจริงๆสมาธิจะเริ่มมั่นคงมากสมาธิก็คือการที่จิตนั้นน่ะแนบชิดติดอยู่กับลมไม่ไปไหนแล้วเสียงก็ไม่มีอิทธิพล หรือเรื่องราวต่างๆก็จะไม่มีอิทธิพลต่อผู้ปฏิบัติอีกต่อไปความปวดเมื่อยทั้งหลายก็จะไม่มีอิทธิพลอีกต่อไปจิตก็จะแนบอยู่กับลมหมอบอยู่กับลมสงบอยู่กับลมแน่อยู่กับลมลักษณะนี้แปลว่าสมาธิมาทำหน้าที่เด่นคือความตั้งมั่นเด่นแต่สติก็จะถอยออกไปอยู่ในฐานะประคองเท่านั้นเองแค่นี้เอง ใหม่ๆต้องใช้สติเข้าไปตั้งไว้แล้วก็ตั้งไว้ให้มั่นคงและเล็กรู้เข้ารู่ออกรู้เข้าลู้ออกแต่เมื่อสมาธิเข้าถึงความแนบแน่นเมื่อไหรก่ก็สติก็ก็ทำงานน้อยลงแต่ใหม่ๆต้องให้สติทำงานมากคือให้รู้ตลอด ไม่ใช่แค่รู้เข้ารู้ออกเท่านั้นพอต่อไปหลังจากรู้เข้ารู้ออกแล้วเนี่ยสติก็จะเริ่มมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นก็เริ่มรู้ยาวรู้สั้นไม่หายใจเข้ายาวออกยาวไม่ไม่ใช่แค่รู้เข้ารู้ออกอย่างเดียวนะรู้แม้กระทั่งว่าเราเนี่ยหายใจยาวหรือสั้นอันนี้คือก้าวไปอีกขั้นหนึ่งถ้าก้าวไปอีกขั้นหนึ่งก็รู้ตลอดสายรู้ได้ยาวเลยตอนเนี้ย แม้เข้ายาวเข้าสั้นเข้าออกสั้นเข้ายาวออกยาวก็แต่สามารถรู้ได้จนสุดลมเข้าใจไหมคำว่ า, ารู้จนสุดลมเนี่ยหายใจเข้ากระทบอยู่ตรงเนี้ยก็เข้าอยู่นั่นแหละจนหยุดลมหายใจเข็นจนสุดแม้ออกก็กระทบอยู่ตรงนี้แหละก็จนสุดเหมือนกันเข็นก็เข็นตลอดนี่ก็เรียกว่าตลอดสาย รู้รู้ตลอดสายได้ขนาดนี้หรือยังได้หรือยังยังไม่ถึงเอาใครใครรู้จนละเอียดจนรู้ตลอดสายแล้วยกมือทีมีไหมฮะได้นิดนนิ ด, น ด, น ด, นดเหมือนน้ำเหมือนบ<อ>างครั้งก็หายไปไอ้ที่หายไปเนี่ยเพราะสติมัน อ่อนแะอถึงเบายังไงสติก็จะเด่นขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเจริญสติเนี่ยสติจะยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นใช่ไหมการระลึกรู้จะเริ่มชัดขึ้นเด่นขึ้นมากขึ้นมากขึ้นลมจะเบาขนาดไหนสติก็จะตามรู้ละเอียดขนาดไหนสติก็จะตามรู้ แม้มีลมเหลือนิดหนึ่งสติก็ตามรู้ขนาดนั้นรู้ขนาดนั้นอันนี้แปลว่าสตินะั้ตั้งมั่นจนในที่สุดจริงๆเมื่อสมาธิเข้าไปมีพลังมากขึ้นมากขึ้นก็จะมีกลุ่มนิมิตทั้งหลายปรากฏแค่นี้แหละอะไรนะ อ, อลองเปลี่ยนท่านั่งะคะ่ะมันก็ยังกระตุกอยู่สักพักนึง แต่ลมหายใจก็รู้สึกตลอดนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกกระตกแบบไหนมันอ๋ <c oughs> อพังงะไปข้างหน้าหรือข้างหลังลองเปลี่ยนท่าก็รอบแรกไปข้างหน้าแล้วเปลี่ยนอีกท่านหนึ่งมันก็ไปข้างข้างคือบางทีถ้าเรามันมีสองกรณีนะบางกลุ่มเพ่งเกินไปก็กระตกุกบางกลุ่มเผลอก็กระตกุก มีสองกรณีเช่นเผลอเนี่กระตุกหลับหลับก็กระตุกใครเป็นไหมใช่ไหมแต่บางคนก็เวลาตามลมเนี่ยมันรุ้นลมเข้าลมออกมากขึ้นมากขึ้นบางทีก็พังอะไปข้างหลังมักจะพังะไปข้างหลังเลยอันนี้รู้เลยเนี่ยลมหายใจเข้ายาวออกสัน้นบางคนก็ พงออกไปข้างหน้ากระตกไปข้างหน้ากระตกไปข้างหน้าแปลว่าลมหายใจออกไในยาวกว่าเข้าไม่ๆม่การเจริญอาณาปณสติมันดีตรงเนี้ยยอมดีตรงที่ว่าเมื่อยิ่งเจริญไปเจริญไปเนี่ยเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งมีความมั่นคงมีความตั้งมั่นอย่างติดต่อได้เมื่อไหรแล้วคนคนนั้นจะมีลมหายใจเข้าและออกนั้นบาลานซ์สมดุล ซึ่งตอนนี้หลายๆคนลมหายใจไม่ไม่คงที่เลยไม่สมดุลเลยเพราะไม่เคยฝึกอาณาปณะแต่ถ้าฝึกแล้วต่อไปลมจะหายใจเข้าลมหายใจออกจะมีความสมดุลกันจะมีจะเป็นคนที่หายใจเข้าแล้วออกสมดุลพอดิบพอดีกันเลยเมื่อปรับเมื่อจิตปรับอินทรีย์มั่นคงเมื่อไหร่ลมก็มั่นคง พอได้ไหรือยังลองต่อกันดูอีกสักหน่อยไหมดีไหมเมื่อยไหมเมื่ย <c ười> มอยอลองยืนดูหน่อยอได้ไหมอ่ะยืนกันสําหรับใครไม่เมื่อยก็นั่งนะเวลาเรานั่งหรือจะเลิญสติเนี่ยให้สังเกตดูไห ม, มว่าถ้าเรานั่งแล้ว ไปเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังเนี่ยอันนี้จะไม่ได้ผลแต่ท่านนั่งว่าเออรู้สึกเรานั่งพักถ้าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดในโลกเพราะใส่ใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการปฏิบัติจะได้ผลว่าเออนี่เรากำลังนั่งพักผ่อนนะแต่เป็นการพักผ่อนที่มีสติะระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก แล้วรู้สึกเบารู้สึกเย็นรู้สึกสบายเนี่ยนะรู้สึกปโปรง่โรงโล่งหายใจเข้าหายใจออกถ้ามีความรู้สึกอย่างเนี้ยใส่ใจอย่างเนี้ยผู้นั้นจะปฏิบัติได้ผลแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าฉันจะนั่งปฏิบัติทรรมฉันจะเอาจิงเอาจงังพังทุกลายเออพังทุกลายหลือแต่ถ้าใครบอกว่าเออฉันจะนั่งพักผ่อน นั่งสบายๆเหมือนนั่งไปดูน้ำตกที่มันไหลลงจากหน้าผาเย็นสบายเนี่ย ถ, ถ้าอย่างเงี้ยเออการจเจริญอนาณาบานาสติมันกับกายเป็นอย่างนั้นเลที่จริงคือการนั่งพักแต่เป็นการพักที่มีสติรละลึกรู้ไม่ต้องทำกิจอะไรอย่างอื่นมันเป็นแบบนั้นแหละ หลายคนไปนั่งจะเอาจริงเอาจังเนี่ยทั้งเครียดบ้างทั้งก้มบ้างทั้งปวดบ้างทั้งมึนบ้างตึงศีษะบ้างอะไรจะเป็นอย่งงเนี่ยั้นถ้าไม่มนตสิการหรือใส่ใจแบบเนี้ยนั่งไม่ได้เลยนั้นอันดับแรกจริงๆได้พูดเมื่อเช้านี้แล้วบอกว่าต้องมีความรักใจต้องรัก มีความไฝใจพอรักแล้วมันจะเกิดความไฝ่ใจอย่างแรงกล้าในการกระทําฉะนั้นในการจเจริญสติเจริญจารณาปัญสติมันก็มีหลักอยู่ว่าลมหายใจเข้าแลือลมหายใจออกนี่มันเป็นบัญญัติสติมีสติก็คือว่ามีอย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วง ตั้งแต่การหายใจเข้าหายใจออกก็มีสติติด ต, ต่ออย่างต่อเนื่องสติมันจึงเหมือนการมีไม้การสีไม้อย่างต่อเนื่องดังที่ได้กล่าวสมาธิกเหมือนกับความร้อนที่ได้รับจากการสีไม้ปัญญาก็เหมือนกับไฟที่เกิดจากความร้อนเนี่ยทีนี้ในขณะที่เรา ปฏิบัติเห็นไหมอันดับแรกจริงๆการเจริญอานาปานสติเนี่ยสำคัญก็คือศรัทธาความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในอานาปานสติสมาธิที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เชื่อมั่นนั้นความเชื่อมั่นเนี่ยก็ทําให้เกิดความเพียรเพียรในการที่จะประคองสติให้ดูลมอย่างต่อเนื่อง ความเพียรก็เป็นปัจัยเกิดสติสติก็จะระลึกรู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกสติก็จะเป็นปัจัยเกิดสมาธิสมาธิก็จะแนบแน่นมากขึ้นสมาธิก็จะเป็นปัจัยเกิดปัญญาคือความรู้ความเข้าใจรู้ได้ตลอดสายไม่หายไปไหนเลยรู้ชัดเริ่มรู้ชัด ทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องความรู้ชัดที่เป็นปัญญาก็ทาให้เกิดศรัทธาคือความเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นก็เป็นปใจใัจจัยเกิดความเพียรความเพียรพยายามความเพียรก็เป็นปใจใัจจัยเกิดสติคือการระลึกรู้การระลึกรู้ก็เป็นปใจใัจจัยเกิดสมาธิคือความแนบแน่นความตั้งมัน่น ความตั้งมั่นก็เป็นปัจจัยเกิดปัญญาความรู้ชัดทุกขั้นตอนปัญญาก็ทำให้เกิดศรัทธาใช่ไมมากขึ้นอีกแล้วยิ่งเชื่อมากขึ้นความเชื่อก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นศรัทธาก็ทำให้เกิดเพียรประคองประคองสติประคองสติ สติก็ระลึกรู้ตอลอดสายสติก็เป็นปัจจัยเกิดสมาธิก็แนบแน่นไม่หวั่นไหวไม่ไปกังวลเสียงร้อนเสียงเย็นเราไม่ต้องกังวลเลยสมาธิก็เป็นปัจจัยเกิดปัญญารู้ชัดตลอดปัญญาก็มาเป็นปัจจัยเกิดความเชื่ออย่างเงี้ยเขาจะหมุนอยู่อย่างนี้แหละฉะนั้นก็ขอให้เราตั้งใจนะเดี๋ยวต่อไปตั้งใจ ฝึกตอนนี้ทาอินทรีย์นี่แหละทาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เกิดอย่างต่อเนื่องเอาเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะอธิบายธรรมะให้ฟังสักเล็กน้อยนะอธิบายเกี่ยวในเรื่องของการเจริญสตินี่แหละให้เชื่อมโยงกันยังไงว่า เมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องการเจริญอาณาปานสติ่าเป็นทางสายเดียวพระพุทธเจ้าแสดงเข้าไว้ในสติปัฏฐานสูตรตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นิคมของชาวกุรุนะชื่อว่ากรรมมาสธรรมะในแคว้นกุรุในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เรียกภิกษุทั้งหลายมาบอกว่าภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นทางสายเดียว ที่ทำให้เราศาสตร์ท่า น, นบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเพื่อล่วงพ้นจากความโศความร่ำไรลำพันธ์และเพื่อดับความทุกข์และโทมนัสได้เพื่อบรรลุอริยมรรคและเพื่อจะได้เป็นปัจจัยต่อการเห็นแจ้งพันธิพานค้นทางนี้ก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นคำว่าเอกายนามมรรคเนี่ยเอกายณะมันก็เลยมีอยู่ห้าความหมายที่บอกไว้ใช่ไหมล่ะ หนึ่งคำว่าทางสายเดียวมาจากคำว่าเอโกอายโนเอโกยนะเอกาญโนแปลว่าทางสายเดียวเข้าใจคำว่าทางสายเดียวหมทางคือการเจริญสติปัฏฐานเนี่เป็นทางสายเดียวทางสายเดียวสองเป็นทางที่บุคคลผู้เดียวพึงดําเนินไปอันนี้เป็น เอากานะอายิตพโพติเอากายโนโนี่เป็นทางสายเดียวที่บุคคลพึงดำเนินไปไปคนเดียวั้ยคนเดียวหรือเปล่าเวลาเราเดินหรือเจริญอาณ า, าปณะสติเนี่ยไปคนเดียวไหมสามเป็นทางของพระพุทธเจ้าผู้ประเสรศิฐ ทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เระเสริจสูงสุดพระพุทธเจ้าก็ทรงเดินหรือทรงพุทธดําเนินไปทางสายนี้นี่แหละสายไหนสายไหนที่พระพุทธเจ้าดําเนินไปสายไหนอาณาปานาสติก็คือสติปัฏฐานนี้แหละอันนี้เป็นประธานกนรรมฐานเมื่อเดินอาณาปานาสติแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปได้ทุกบับเลยนะ จากอาณาปณะบาปไปเอียบวบัปไปสัมปชัญญะบัปไปปฏติกูมิมรสิการบัปไล่ไปเยอะเลยไปถึงป่าช้าทั้ง9ก้าก็ไปนุนเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาแล้วก็ธรรมานุปัสนาอีก5หมวดสเป็นทางดําเนินไปในศาสนาเดียวศาสนาเดียวคือศาสนาไหนในศาสนาของพระชินเจ้านี้นะศาสนาของพระชินเจ้านี้ มาจากคําว่าเอกสมิงอายโนเอกายโนอันนี้เป็นสัตตมีตปุริสัตสมาตหาทางดำเนินไปสู่พระนิพพานอย่างเดียวทางนี้ไปสู่พระนิพพานเท่านั้น น, น, นะไม่ไปไม่ไปทางอื่ น, นทางดำเนินนี้ไปสู่พระนิพพานอย่างเดียวก็คือมาจากคําว่าเอกงังอายติติเอกายโน แม้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้สังเกดตดูนะว่าบุคคลที่มาฟาังธรรมพอฟังธรรมแล้วต่อมาฟังธรรมจบบรรลุธรรมปุ๊บหมอย่างเช่นท่านอัญญาโกอัญญาพอฟังธรรมาจากกัปวัตตนสูตรพอฟังธรรมาจากกัปปวัตตนสูตรปุ๊บเป็นยังไงต่อ ได้บรรลุไหมบรรลุอะไรอันนั้นแปลว่าตอนนั้นท่านอัญญาโกณธัญญาท่านจเจริญกรรมฐานหมวดไหนอ้าวท่านอัญญาโกณธัญญาเนี่ยท่านฟังธรรมแล้วเนี่ยท่านปฏิบัติสายไหนใช่ไหมตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงใช่ไหม เอวเมสุตังเอกังสัมยังภควาบารานสิยังวิหระตีอิสิปตะเนมิกขะทาเยตัทธราโคภควาปัญจวกิเยพิคูอามันเตสีดุ้ยเมพิกขเว อันตาปภะชิตนาะเซวิตาพากตเมทเวโยจายังกาเมสุกามมสุขันลิกานุโยโคหินโกรมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนัตตาสานิโตโยจายัง อาตะกิลมะทานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตตสานิโตเฮเตเตพิงคเวอุพวันเตอนุปะคัมมามาชิมาปฏิปทาตถาคเตนาภิสัมพุทธาจกขุกรณียานากรณี อุปัสมาญาอภิญญาญานิพพานญาสัมสัมโพธญานิพพานญาสังวตตียะเมวาริโยอทังขิโกมะโคเสียทิทังสัมมาทิเตสัมมาสังกโป สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิายังโคสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเณรผิสัมพุทาจะขูกรณียาณะกรณี โอปัสมายาพิญญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติเวลาพระพุทธเจ้าแสดงแสดงแสดงไปจนจบปุ๊บเนี่ยท่านอัญญาโกนัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุปุ๊บถามว่าตอนนั้นนะท่านอัญญาก็โกัญญาเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมะหมวดไหน ท่านปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่ไหมปฏิบัติได้ไหมปฏิบัติปฏิบัติหไหมปฏิบัติตตเห็นไม้มแต่ความรวดเร็วของสติของท่านที่ระลึกเนี่ยเห็นไม้มในขณะที่ท่านฟังทำจบปุ๊บท่านก็บรรธรทำแต่ความจริงแล้วไม่มีใครบรรลุธรรมโดยไม่ได้เจริญสติปัฏฐานปัฏฐานสี่เลยใช่ไหม ในขณะนั้นก็ท่านก็ต้องพิจารณาหมดเลยท่านพิจารณาทั้งรูปขันธ์ทั้งเวทนาขันธ์ท่านสัญญาขันธ์สังขารละขันธ์ก็วิญญาณขันธ์คือมันอย่างนี้ว่าในหมวดของกายานุปัสสนาเนี่ยเป็นรูปขันธ์เห็นไหมคือรูปขันธ์กายานุปัสสนาทั้งหมดเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จก็คือรูปขันธ์ เวลากำหนดสุขเวทนาทุกเวทนาเป็นต้นอันนี้เป็นเวทนาขันส่วนจิตมีราคาปราชาจาราคาเป็นต้นนี้เป็นวิญญาณขันส่วนกำหนดสัญญาและสังขารละขันอันนั้นเป็นธรรมานุปัสสนะใช่ไหมนั่นรูปขันอยู่ในกายานุปัสสนาเวทนาขันก็เป็นเวทนานุปัสสนากำหนดจิตก็เป็นจิตานุปัสสนา กำหนดสภาวะธรรมเหล่าอื่นที่เหลือก็เป็นธรรมานุปัสนาสรุปก็คือว่าแม้แต่ท่านัญญากรัญญาฟังธรรมรจักษ์กับระวัฒ น, านาสูตรท่านก็กำหนดตามสติปทานสีนี่แหละฉะนั้นในเรื่องนี้ก็เหตุใดเนี่ย ถ, ถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของที่ตั้งของสติ นไมมจะมีเยอะเลยกายก็เป็นที่ตั้งของสติเวทนาก็เป็นที่ตั้งของสติจิตก็เป็นที่ตั้งของสติธรรมะสภาวะธรรมทั้งหลายก็เป็นที่ตั้งของสตินี่หอารมณ์หรือที่ตั้งของสติมีอยู่4อย่างมาจากคำว่าปฏิฐถาติอสมินติปัฏฐานังนที่ตั้งของสติมีอยู่4อย่างดังนั้นตอนนี้ในขณะที่เรากาหนดหรือเจริญอาณาปณะสติอยู่ อะไรเป็นที่ตั้งของสติลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นที่ตั้งของสตินี่เรียกว่าสติปฐานอ2อีกอย่างหนึ่งก็คือสภาวะที่เข้าไปตั้งไว้ด้วยสติหมายถึงการก้าวร่วงความยินดีและความยินร้ายในขณะที่สติเข้าไปตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกในขณะนั้นเพื่อจะกำจัดอะไร กำจัดอภิชชาคือความยินดีกําจัดโทมนัตคือความยินร้ายไม่ให้ความยินดีและความยินร้ายเนี่ยเข้าไปครอบงําหรือไปแทรกแซงในจิตอันนี้ก็คือการเจริญสติประการสุดท้ายก็คือสติที่เข้าไปตั้งไว้หรือสติที่ไปตั้งไว้อย่างมั่นคงมาจากคาว่าปัฏฐาตีติปัฏฐานังหรือสติเยวะปัฏฐานังสติปัฏฐานัง อันนี้เป็นการเข้าไปตั้งไว้อย่างมั่นคงในความหมายที่พระอาจารย์อาจารย์พระดีกาจารย์ท่านให้เรายึดถือในการเอามาปฏิบัติท่านให้ถือยึดถือแนวสุดท้ายนี้ข้อสุดท้ายนี้คือการเจริญสติปัฏฐานก็คือการไปตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นต้นไว้อย่างไว้อย่างอะไรมั่นคง คำว่ามั่นคงในที่นั้นก็คืออย่างติดต่อและต่อเนื่องเป็นไปอย่างตลอดสายทำได้ไหมได้ไหมเอาสติไปตั้งไว้ที่ลมอย่างติดต่อและต่อเนื่องนเนี่ ย, ยลักษณะอย่างเี้ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสรุปแล้วก็คือว่าเห็นไหมการที่อยู่ในข้อนี้ก็คือหนึ่งการเจริญสติใช่ไหมที่พระจาบอกมี มีสติมีความเพียรมีสติมีสมัมผชัญญาใช่ไหมสามองค์นี้แหละเป็นองค์การปฏิบัติอันนี้พูดเรื่องสติก่อนเพราะสติปัฏฐานนั้นท่านขับเน้นตัวสติที่เข้าไปตั้งไว้ในทีน่นี้เริ่มต้นเนี่ยต้องใช้สติไปตั้งไว้ที่ลมหายใจเข้าออกก่อนเพราะเป็นหนึ่งในสติปัฏฐานในบับแรกเลยไหมอานาปนาบับใช่ไหมในสติปัฏฐานสี่ลองท่องดูสิ เอกายโนยังพิกเวมาโคสตานังวิสุทยาลัย ไ, ไปตามําดับเลยนะแล้วก็บอกว่าทีคังว่าอัศ ส, สันโตทีคังว่าอัศ ส, สามีติประชานาติอันดับแรกจริงโสสโตวะปัสสติสโตวะอัศ ส, สติเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าอันนี้เห็นไหมเอัสติไปตั้งไว้ที่ลมให้ใจออกอัสติไปตั้งไว้ที่ลมให้ใจเข้าอันดับแรกอันดับต่อมาก็คือเมื่อเธอหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นแล้วข้อต่อไปก็คือให้รู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้ารู้จะกองลมไหมอะไรคือกองลมรู้จะกองลมไหมกองลมคือ ลมหมูลมทั้งหมดเนะ่ที่วิ่งเข้าวิ่งออกถ้ารู้กองลมทั้งปวงเนี่ยแปลว่าลมที่เข้ายาวขนาดไหนก็รู้ตลอดเลยไม่ใช่รู้เป็นจุดจุดบางคนรู้จึกจกจิกจิ ก, จกเนี่ยไม่ได้ต้องรู้ตลอดเลยลมพัดลมเข้าตลอดออกตลอดเข้าตลอดออกตลอดนี่คือหลักรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยว่า ตรงนี้ถ้าใครไปอ่านสติปัฏฐานไม่ดีศึกษาไม่ดีก็จะไปเข้าใจว่าท่านจะใช้คำว่าให้รู้ต้นลมกลางลมปลายลมหายใจเข้ารู้ต้นลมกลางลมปลายลมหายใจออกเพราะบอกว่าพอไปอธิบายว่าต้นลมอยู่ตรงนี้กลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่สะดือหายใจเข้าหายใจออกต้นลมอยู่สะดือ กลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่จมูกก็เลยวิ่งตามเลยนี่เขาเลยเข้าใจผิดเขาไม่ให้ตามเข้าไปเขาไม่ให้ตามออกมาอย่างนี้ถ้าวิ่งตามเข้าไปสติจะตั้งมั่นไหมมันจะวิ่งตามปื๊ดเข้าไปเนี่ยปื๊ดเข้าไปเนี่ยแล้วก็จากตรงกลางวิ่งปื๊ดออกมาอีกแล้วเนี่ยสติมันจะวิ่งอยู่เนี้ยปื๊ดอย่างนี้อย่างี้ตั้งมั่นไหมตั้งมั่นไหม มั่นหรือไม่มั่นอันนี้เขาเรียกว่าตามลมห้ามใครเป็นผู้ห้ามไว้ภาษารีบุตรกล่าวไว้ในคัมภีปฏิสัมพิธามักบอกว่าผู้ที่ตามลมแบบนี้จะเกิดอาการฟารุ้งซ่านตามไปแล้วเดี๋ยวนานๆและจะมีอาการฟุ้งซ่านเข้าไปภายในแล้วก็ฟุ้งซ่านตามลมออกไปข้างนอก เขาใจยังแถนนั้นให้เกิดปลาโมดนะให้มีปลาโมดในการดูอยู่ตรงไหนที่ปลายจมูกแล้วรอบรอบดูจมูกแล้วก็ริมวิปากเบื้องบนแค่ถึงนี้นะบางคนเวลาใช้สติหรือใช้ความรู้สึกไปจี้ลงแรงๆตรงนี้แล้วเป็นไงมันจะเป็นยังไงปวดหัวเคยปวดหัวไหมใครปวดหัวยกมือขึ้นทำไปแล้วปวดหัวนะ่ะ นี่บอกแล้วไม่ฟังบอกว่าจะไปจี้แรงเปนความรู้สึกในจี้ตรงไหนเจ็บตรงนั้นนะเขาให้ดูเบาๆหรือดูแรงๆดูอย่างแผ่วเบาอย่างติดต่อและต่อเนื่องเวลาฟังฟังให้ชัดนะเดี๋ยวเวลาไปทําแล้วก็จะโอ้นี่จะวันสุดท้ายอยู่แล้วเนี่ยบางคนอยากจะได้ลมเอามาทำไมลมอ ตอนนี้เรากำลังเจริญอาณาปานสติแปลว่าเจริญอะไรเจริญสติหรือเจริญลมลมเจริญได้ไหมก็ไปทำโยคะสิถ้าจะไปเจริญลมหายใจเข้าให้ลืมเนี่ยแล้วก็เอาออกทางปากอย่างี้นหายใจเ้นี่เจริญลมแต่ในที่นี้เจริญอะไรเจริญสติ ใช้อะไรตั้งมั่นสติเข้าไปตั้งมั่นไม่ใช่ให้ลมตั้งมั่นสติเข้าไปตั้งมั่นนะน่ีเข้าใจแล้วนะตามนี้นะไม่ตามลมและก็ที่จริงมาเคยบรรยายรายละเอียดไว้ตรงนี้เยอะเนะเริ่มต้นหายใจเข้าหายใจออกต่อมาก็คือเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเนียนดับแรก อันดับที่2รู้ตลอดสายแต่ก็อยู่จุดเดียวเนี่ยรู้อย่างติดต่อต่อเนื่องอันดับต่อไปก็คือลังงับถ้าขนาดสติตามติดต่อตลอดสายก็ยังไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ให้สังเกตดูนะในขณะที่ตามตลอดสายเนี่ยอะไรจะเด่นขึ้นการกำหนดรู้กองลมทุบปวง ในขณะนั้นสติจะต้องตั้งมั่นมากขึ้นไหมการที่จะรู้ตลอดสายได้สติจะต้องตั้งมั่นมากขึ้นความเพียรต้องประคองไหมความเพียรก็ประคองประคองอย่างติดต่ออย่างต่อเนื่องฉะนั้นตัวสติและตัวความเพียรเนี่ยเป็นอธิศีลสิกขาเขาเรียกเป็นสติสังวกรกับวิรยาสังวรตัวนี้เป็นอธิศีลสิกขา เป็นปัจจัยเกิดสมาธิที่แนบชิดติดกับลมอย่างติดต่อและต่อเนื่องอันนี้เป็นอธิปัญตาจิตสิกขาปัญญาที่รู้ชัดทุกขั้นตอนหายใจเข้าหายใจออกเป็นอธิปัญญาสิกขาสิกขาสามเดินหรือยังในขณะ ด, ดูลมเดินหรือยังสติและวิริยะเป็นอะไรอธิสีและสิกขา ป้องกันบาปอากุศลธรรมอภิชาและโทมนัะไม่ให้ไหลท่วมทับจิตสมาธิที่แนบชิดติดกับลมเพื่อจะได้กำจัดความฟุง้งซ่านเป็นอาธิจิตตะศิขาปัญญาที่รู้ชัดจัดเก็บทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมอยู่ณจุดเดียวเป็นอธิปัญญาศิขาโยคีผู้ปฏิบัติ ฝึกฝนพัฒนาศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องไม่นานเลยก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเห็นหรื อ, อยังเห็นไหมจำท่าจำไม่ได้อีกหนักใจไหมหนักใจไหมไม่หนักใจออะต่ออีกรอบหนึ่งดีไหม สติที่ระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างติดต่อต่อเนื่องกับความเพียรที่ประคองสติไว้ไม่ให้หลุดไปจากลมสติและวิริยะอยู่ในสติเป็นสติสังวรวิริยะเป็นวิริยะสังวรเป็นอาทิสีละสิกขาสิกขาคือศีลยิ่งข้อฝึกคือสีนั้นยิ่งเกิดขึ้นแล้วในขณะกำลังดูลมหายใจเข้าแล้วออก สมาธิที่แนบแน่นแนบคิดติดกับลมตลอดสายทั้งเข้าและออกเป็นอทิจิตติสิกขาหรือสมาธิสิกขาสิกขาคือจิตที่มั่นคงอย่างยิ่งปัญญาที่รู้ชัดจัดเก็บทุกขั้นตอนในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดทุกขั้นตอนเลย เป็นอธิปัญญาสิกขาโยคีแปลว่าผู้ประกอบความเพียรกาลังฝึกฝนพัฒ น, ฒนาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อต่ อ, ตอเนื่องนี่คือกําลังเจริญอะไรเจริญสติปัฏฐานเจริญอาณาปณะสติมองเห็นไหมว่าเรากําลังเพียรทำอะไรเนี่ยเพียรทำสิกขาสามที่ยังไม่เกิดให้เกิด ขึ้นเพียนทำสิกขาสามที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพี้ยรทำศีลให้เกิดขึ้นสมาธิให้เกิดขึ้นปัญญาให้เกิดขึ้นก็ยิ่อย่างฉะนั้นในขณะที่ดูลมเนี่ยศีลเกิดไหมสติและวิริยะเป็นศีลสมาธิเกิดไหมจิตที่ตั้งมั่นนั่นแหละปัญญาเกิดไหมเห็นไหมตอนนี้ศีลสมาธิปัญญากําลังเกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่อง อันนี้เขาเรียกผู้บำเพ็ญไตรสิกขาผู้เจริญไตรสิกขาผู้ประกอบความเพียรในการประคองสิกขาสามให้ดำเนินไปเห็นไหมเข้าใจยังเนี่ยหรือทำท่าไม่เข้าใจอย่าทำท่าง ง, งๆได้ไหม ามาเวลามาบรรยายามาก็ตั้งความรู้สึกนะขอให้พวกเราจนฉลาดมากๆให้ฉลาดกูาอาจจะมาเยอะๆเดี๋ยวมาตั้งรู้สวามรู้สึกจริงๆนะไม่ใช่ไปเสแสงแกล้งพูดนะให้พวกเราฉลาดเยอะๆมีความเข้าใจมีความทรงจําอันมั่นคงอย่าไปจําสิ่งที่ไร้สาระอีกเลยเนยนะขอให้จำที่สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะเกื้อกูลต่อการพ้นทุกข์เธอะ อย่าได้ไปเข้าใจเรื่องอื่นเ้ยจงเข้าใจพระธรรมคำสอนของพรุทธเจ้าจะได้เป็นปัจจัยแก่ความนทุกข์ใช่ไหคนนั้นด่าฉันนะจาแม่นแม่นไอเนี้ยนะไออย่างเงี้ยมันได้เรื่องไหมแบบนี้ได้เรื่องไหมได้เรื่องไหมได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องมันไม่ได้เรื่องจำจนกระทั่งวันนี้แหละเพผลอบอกว่าชาตินี้ฉันจะไม่เผามันอะไรกันก็ไม่รู้ ไอเรื่องนี้จำแม่นมากมีโยมผู้ชายมาเล่าให้ฟังเนะเขาบอกว่าภรรยาผมเนี่ยเป็นคนจำแม่นมากผมไปทําผิดอยู่ข้างเดียวมันขุดคุยมาเล่าอยู่นั่นแหละ ว, ว่างั้นเลยนะนนมาก็บอกเออทำไงบางทีให้ไปนั่งฟังธรรมะที่วัดกลับมาไม่เคยจำอะไรได้เลยเออแปลกจำได้แต่เรื่อง เราเป็นแบบนั้นไหมเป็นไหมเป็นไม่เป็นไม่เป็ น, เ, ปนเลยทำยังไงจะให้เขาไม่ค่อยเบื่อเรารู้ไหมลืมความชั่วเขาทั้งหมดนึกถึงแต่ความดีคือทำเป็นคนปัญญาอ่อนเรื่องความชั่วแล้วก็ทำเป็นคนปัญญาแข็งแรงเรื่องความดีโอ้จำความดีเขาได้หมดเลย ถ้าเขาบอกว่าเออเขาเคยไปทำอะไรผิดมาอู้ฉันจาไม่ได้แล้วอย่างเี้ยโอ้โหเขาจะรู้สึกว่าชื่นใจมากเลยทำได้ไหมนี่สติพูดไปแล้วใช่ไหมอะไรสติกวิริยะเป็นเป็นศีลสมาธิก็เป็นเป็นจติตตสิกขาหรือสมาธิปัญญาที่รู้ชัดก็เป็นอธิปัญญาสิกขา สรุแล้วตอนนี้อธิศีนาทีิจิตอธิปัญญากำลังเกิดขึ้นในขณะที่ดูตลอดสายขั้นตอนต่อสุดท้ายก็คือการระงับระงับเนี่ยการที่จะระงับกองลมได้ก็ใช้สามหนึ่งอาโพคะสองสมณาหาละสมมณสิกาละสปัจเจเวคณาเพราะพูดอย่างนี้เราทำทางงงกันหมดเลย <c oughs> อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอาโพคะ ใช่ไหมสมณาหาระอะไรก็ไม่รู้มนาสิการะปเจวิกนาโ อ, โอ้ยจานไม่รู้เรื่องเลยไอ้ตัวนี้เป็นชื่อของโยนิโสมนาสิการนะชื่อจะต่างกันแต่ความหมายกันเขาก็คือการใส่ใจใชใส่ใจครั้งแรกเ็าเรียกอาโภคะใส่ใจต่อมาเ็าเรียกสมณาหาระใส่ใจอ ย, อย่างติดต่อมั่นคงเ็าเรียกมนาสิการะ พิจารณาจัดเก็บได้ทุกขั้นตอนด้วยเป็นปัจเจกขนาเห็นไหมอันเดียวกันได้แหละมันใส่ใจอะไรใส่ใจจะให้ลมที่ตลอดสายมนาะเข้าเนี่ยเนี่ทำยังไงนิมิตก็ยังไม่เกิดเขาจะระ ง, งับฝึกแรงงานระ ง, งับกองลมระ ง, งับให้เบาให้แผว เ, เรานั่งอย่างนี้เราทำให้ให้ลมค่อยๆแผวได้ไหมทําได้ไหมทําให้ลมค่อยๆเบาลงเบาลงได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไหมไ ได้ไม่ได้อันนั่งอย่างเงี้ยทาให้ลมค่อยๆแผ่วได้ไหมลองนั่งให้สงบที่แล้วก็หายใจให้ปโปร่งนะเข้านะเข้ า, นะขาก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจลงผ่อนล ง, ลงผ่อนล ง, นลงให้เหลือน้อยลงน้อยลงวิธีปฏิบัติขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยทำยังไงถ้านิมิตไม่เกิดเขาจะมีการวิธีระ ง, งับลมระงับจากลมหยาบให้ค่อยๆละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดจนลมเบาบางที่สุดเขาทําทําไม ทำเพื่อจะให้สติเข้าไปตั้งมั่นสติให้เด่นขึ้นความเพียรเด่นขึ้นสมาธิเด่นขึ้นปัญญาเด่นขึ้นนี่เขาเรียกนั้นการเจริญ ne, อาณาปณสติยิ่งเจริญอะไรยิ่งเด่นสติเด่นความเพียร เ, เด่นไหมความเพียรก็เด่นสมาธิเด่นชัดขึ้นไหมปัญญาเด่นชัดขึ้นไหมฉะนั้นคนที่ปัญญาอ่อนสติอ่อนความเพียรอ่อนสมาธิอ่อน ถ้าจเจริญอาณาปณสติยิ่งจเจริญแล้วสมาธิจะยิ่งเด่นชัดขึ้นสติจะยิ่งเด่นชัดขึ้นความเพียรจะยิ่งเด่นชัดขึ้นและปัญญาที่เคยอ่อนๆก็จะแข็งแรงขึ้นโอ้โหเหมาะมากเลยถ้าใครเป็นโรคปัญญาเพิ่มอะไรอ่ะการเจริญอาณาปณสติเพิ่มอินทรีคนที่อินทรีอ่อนอยากลายเป็นอินทรีเริ่มแก่ขึ้นคำว่าอินทรีแก่เรากลัวไหมกลัวไหม หน้าแก่กลัวไหมถ้ถาศรัทธาแก่กลัวหรือไม่กลัวเห็นไหมถ้าหน้าแก่นี่หน้ากลัวใช่แต่ศรัทธาในความเชื่อมั่นจะมากขึ้นเห็นไหมศรัทธาเพิ่มขึ้นความเพียรเพิ่มขึ้นสติเพิ่มขึ้นสมาธิเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มไหมเพิ่มขึ้นตอนนี้ศรัทธาเพิ่มไหมตอนนี้เราศรัทธามากเลยน้อย มากหรือน้อยเอาไปเทียบกับใครเอาถ้าเทียบกับพระอนนท์เอาเทียบกับนางวิสาขาตอนนี้เราศรัทธามากเลยน้อยอาเทียบกับนางวิสาขาความเพียรเรามากหรือน้อยเทียบกับนางวิสาขาความเพียรไอศรัทธาเราแข็งกล้าหรืออ่อนวิริยะแข็งหรืออ่อนสติ สมาธิปัญญาอ่อนหมดเลยอ่อนทุกตัวเลยอ่อนทุกตัวแล้วเขาใจอย่างว่าเอออ่อนหมดเลยนะตอนนี้เนะี่ถ้าเราเทียบกับนากวิสาขา์เราอ่อนหมดเลยใช่ไหมเท่นั้นต่อไปก็จเจริญอานาปานสติยิ่งจเจริญยิ่งจเจริญจากศรัทธาที่อ่อนก็กลายเป็นศรัทธาที่แข็งแรงขึ้นความเพียรที่อ่อนก็แข็งแรงขึ้นสติที่อ่อนก็ แข็งแรงขึ้นสมาธิที่อ่อนปัญญาที่อ่อนก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นนี่แหละพุทธเจ้าถึงบอกว่าอาณาปานสติจึงเหมาะแก่คนที่เป็นโมหจริตจําไว้นะโมหจริตคนโมหจริตนี่ปัญญากล้าหรือไม่กล้าคนในยุคปัจจุบันนี้โมหจริตมีมากไหมเรามั่นใจไหมว่าเรามีโมหจริตหรือไม่มี มีไม่มีฉะนั้นต้องรีบเจริญไหมต้องรีบเจริญเดี๋ยวต่อไปปัญญาเราจะดีขึ้นหวังว่ากลับไปเนี่ยเราคงไปเจริญกันให้ให้เต็มที่เลยนะพอเจอหน้ากันอีกทีบอกว่าโอ้โหตอนนี้ฉันปัญญาไม่อ่อนแล้วปัญญาฉันแข็งแรงมากเลยดีไหม อาจจะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้พูดพูดเรื่องสติประการต่อไปคือคําว่าอาตาปีก็าแปลมีความเพียรอาตาปะหรืออาตาปีมีความเพียรเผากิเลสรือมีความเพียรชอบที่เรียกว่าสัมมาประธานเพียรเพื่อลอกักอุคุสนเก่าเรามีอกุศลเก่าไหมมีไม่มีใครเคยฆ่าสัตว์มา มีไหมในชีวิตเอาชาตินี้เคยฆ่าสัตว์ไหมใครเคยรักทรพัพย์รักของแม่กั น, นับด้วยนะ <Okay. S 1> เคยไหมเอาเป็นต้นดีกว่าเนาะใครเคยดื่มสุรามีอะไรมาเอาสรุปแล้วเนี่ยเราเคยเคยทำบาปมาฉะนั้นเพียรเพื่อจะละอกุศลเก่าที่เคยทำมาก่อนวิธีเพียรทำยังไง นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่ให้บาปเก่าคือการฆ่าการลากักการประพฤติผิดในการมการกล่าวเทศส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจอ้อการดื่มสุราและเมลัยที่เคยทามาทั้งหมดย้อนกลับมาสู่กระแสชีวิตของข้าพเจ้าอีกนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปกล้าสมาทานไหมเอาว่าตามหน่อยดิ นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะไม่ให้ปานาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิฉาจารมุสาวาตปิสุนาวาจาพภรุสวาจาสัมผาราปะอภิชชา พยาบาทมิจฉาทิฏฐิและการดื่มสุราเมรยัยที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าย้อนกลับมาเกิดอีกเป็นเด็ดขาดนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจักสมานอย่างจะมาทานอย่างมั่นคง ที่จะไม่ให้บาปอากุศลธรรมมันชั่วร้ายเหล่านี้เกิดในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยกล้สมาทานแบบนี้แล้วนะไม่ใช่กลับไปไปทำอีกแล้วเห็นไหมเขาสมาทานลาอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเพียรลาอะไรเพียรละบาปเก่าที่เคยทำมาแล้วบาปเหล่านี้จะไม่ให้ย้อนกลับมาให ม, ม่อีก พรมันจะกลับมาเกิดเดี๋ยวก็ไม่เด็ดขาดโบกมือลาเขาโบกมือบายๆเขาหรอกไม่เอ า, ไ ม, เอาไม่เอาเด็ดขาดได้ไหมงั้นกลับไปบ้านจะไปบ่นลูกได้ไหมดเดี๋ยวนี้ได้ไม่ได้ก็สมาทานต่อหน้าพระแล้วทําไม่ได้เดี๋ยวซวยนะเมื่อกี้สมาทานหรื อ, อยังสมาทานหรื อ, อยังจาไว้เนอะเนี่ยเวลาเนี้ย เมื่อกี้สมาทานจริงไหมนั้นกลับไปก็เรลาจะไปด่าลูกเป็นอะไระถ้าด่าลูกเป็นผิดศีลก้อไหนเป็นพุษสวาสคือพูดคำหยาบพอทําท่าจะพูดว่าไม่ได้หรอกลูกแม่สมาทานตอนหน้าพ้าไว้แล้วยิ้มเลยนะตัวนีนน้ได้ไหมโอ้โหทันีีพวกเราคงจะน่ารักกันเป็นแถวเป็นแนวหมดเลย สังคมคงจเจริญรุ่งเรืองน่าชื่นใจมากเลยเทีนี้สมมาธแล้วนะนี่นี่เข้าใจยังค็ว่าเพียรละอกุศลเก่าสองเพียรเพื่อไม่ทำอกุศลใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดเอาในชาตินี้นะใครเคยฆ่าแม่หรือยังชาตินี้ชาตินี้ชาติที่แล้วฆ่ามาแล้วไม่ว่ากันฆ่าพ่อ ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตทำสังฆเภทไม่เคยไหมไปป้นป้นจี้เขาเคยไหมเราเคยได้ยินข่าวไหมเคยอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ไหมเช่นไปข่มขืนเขาบนรถไฟมีไหมจุดไฟเผาบ้านเขาเห็นไหมบาปเหล่านี้มีอยู่ใช่ไหมอันนี้คือบาปใหม่ บาปใหม่ที่เราเห็นคนอื่นทำแต่เรายังไม่เคยทำเมื่อเราเห็นบาปใหม่อย่างนี้แล้วเอาเคยไปใช้ยากันยุงฉีดยากันยุงที่บ้านไหมเคยไหมฉีดใหญ่เลยฉีดโอ้โหเคยไม่เคยโอ้โหพวกเราที่ไม่ธรรมดาเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะฮะต่อไปเวลาถ้าหันปากก็บอกฉีดเมื่อใส่จมูกตัวเองแล้วฉีดได้ไ้ย <c oughs> เคยฉีดยาฆ่าแมลงไหม ตามนาตามทุ่งเคยไหมเห็นปลวกขึ้นบ้านก็ฉีดใหญ่เลยเคยั้ยเอายาฆ่ายาฆ่าแม่ยาอะไรนะยาเบือ่อให้หมาให้สุนัขกินเคยไ้มจับสุนัขมาตอนไม่เคยเลยนะฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่เคยัหมไม่เคยใช่ไหมแต่เราเห็นคนอื่นฆ่าไหมไอลักษณะนี้เขาเรียกบาปใหม่ที่ยังไม่เคยทำเมื่อเห็นทุกครั้งให้สมาทานว่า อหเสมาทานยังไงจะไม่ให้บาปที่ยังไม่เคยเกิดในกระแสชีวิตของข้าพเจ้ากลับมาเกิดหรือมาเกิดในชีวิตของข้าพเจ้าเด็ดขาดฉะนั้นเวลาเห็นคนอื่นเขาฆ่ากันใช่ไหมเขาประทุษร้ายกันทั้งหลายเหล่านี้ก็สมาทานทุกครัง้งสมาทานทุกครั้งทําทได้ไหมอันนี้เรียกเพียนอะไรเพียนอะไรเพียรละบาปใหม่หรือเก่าบาปใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดนะที่เคยไ ม, ไม่เคยทํา กนั้นตรงนี้ก็ต้องให้เพียรพยายามเขาให้สมาทานเนะไม่ใช่ไม่สมาทานให้สมาทานว่าฉันจะไม่ฆ่าแบบนี้ฉันจะไม่ลักทรัพย์แบบนี้ไม่ประพฤติผิดในกรรมฉันจะไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจริญสิ่งทั้งหลายที่ฉันไม่เคยทําแต่ฉันได้เห็นเขาทํากันนี่ใช่ไหมล่ะเช่นไปปล้นธนาคารเคยทำไหมยังยังไม่เคยเนี่ยไปดักแอบคอยปล้นทรัพย์เขาก็ไม่เคยใช่ไหมเนี่ยลักษณะนี้แต่เราเห็นคนอื่นเขาทาอยู่ เชื่อไหมว่าถ้าเราไม่สมาทานไว้สักวันหนึ่งเราต้องทำนะเราใครคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนดีร้อยอร์เซ็นแล้วยังไงก็ไม่ทำชั่วเด็ดขาดจริงไหมจริงตอนนี้ความโลภยังมีอยู่ไหมความโลภเป็นเหตุในการทำชั่วยังไม่ได้ละความโกรธมีอยู่ไหม ความโกรธเห็นการทําความชั่วก็ยังละไม่ได้ความหลงยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ฉะนั้นไว้ใจไม่ได้ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยตอนที่เกิดพายุนาคริสใช่ไหมโอ้โหตอนนั้นน่ยใครจะไปรู้ว่าจะมีคนเขาทาชั่วเพราเกิดพายุทลม่มตุ้มๆๆทั้งเมืองเลยผลปรากฏอีเนี้ยพอหายไปสักประมาณชั่วโมงกว่าๆคนมันหิวมันหาอาหารหาอะไรกันมันฮือกันขึ้นมาทีเนี้ย มันมีผู้สื่อไอ้ผู้ที่จะไปทำสารคดีเนี่ยเขาไปจากทางยุโรปเข้ามาที่นี่เขาไปเขาไปคำนวณดูในตึกตึกหนึ่งเนี่ยเขาจะถ่ายเขาถ่ายทําทั้งหมดเลยนะแล้วเขาเตรียมบอกว่าตึกเนี่ยมั่นคงที่สุดแล้วแล้วเขาไปเตือนรัฐบาลก็ไม่เชื่อใครก็ไม่เชื่อเขาตอนนั้นนะฮะว่ามันจะโถมลมแรงอย่างนี้จากตอนที่เขาคานวณเนี่ยพวกเนี้ยเดินทางนั่งเครื่องบินตามเอะตามพายุตัวนี้มาเขาก็ไปทําแล้วไปถ่ายทําแล้วเขาสามารถถ่ายทําได้หมด พอหลังจากผ่านไปประมาณสักสามชั่วโมงกว่าๆผลปรากฏว่าพอมันลาบเป็นหน้ากองแล้วแต่เนี้ยต่อมาประชาชนที่ประชาชนที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่มันฟื้นมาโห้แต่เนี้มันหิวมันบางคนหิวบางคนกฎระเบียบตอนนั้นไม่มีแล้วกฎมุ้งกฎหมายไม่ต้องพูดกันแล้วโอ้โห้บางคนเข้ามาลักบ้ง่งมาป้นฆ่ากันคมคืนกันเต็มไปหมดเลยดูสิเนี่ยเห็นไหมล่ะ ไอ้ทั้งบุคคลเหล่านี้ที่เขาไปทําสารคดีเขาก็รีบเอาตัวโอ้โหเขาเกือบเกือบเอาตัวไม่รอดแล้วเขาก็มาเขียนเรื่องเนี้ยก็มาถ่ายภาพเหล่านี้ออกมาเผยแพ่ว่าดูสิเนี่ยเราดูเหมือนกันเนี่ยโอ้เนี่ยดูเรียบร้อยในยุพุทธเนี่ยเนี่ยดูเรียบร้อยในรองเกิดแผ่นดินถลม่มเอาลองดูดิกรุงเทพเนี่ยลองแผ่นดินกระดิกเสียเท่าไรดีเจดจุดแปดลิตรเหลือไหม เหลือไม่เหลือแล้วคิดว่าเราจะนั่งหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หรือมันหิวขึ้นมาจะทำยังไงเอาเชื่อไหมเนี่ยความโลภมันมีความโกรธมันมีความหลงมันมีมันไปนเอาแล้วแต่เนี้ยวิ่งหาอาหารกินไม่ได้ก็ไปแย่งเขาหาเสื้อหาที่อยู่ นี่คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนี่คือบาปใหม่ที่ศรีลังกาเมืองพุทธไหมตอนเกิดพายุอะไรที่ถล่มภาคใต้อะพายุอะไรซึนามิศรีลังกาก็โดนด้วยเขาถ่ายคลิปวิดีโอมาให้มาดูนะลักขโมยป้นคมขืนเต็มไปหมดเลยนี่ศรีลังกานี่ประเทศพุทธ นี่ไงบาปเรายังละไม่ได้น่ากลัวไหมที่มันยังไม่เกิดเพราะมันยังไม่ได้เลยมันไม่ได้โอกาสอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีแต่ถ้าตราบใดกิเลสมันหลุดไปจริงๆแล้วจึงค่อยคิดว่าเราดีจริงนั้นตรงเนี้ยเราเพียงแค่ว่าห้ามมันอยู่ห้ามมันอยู่แค่นั้นเองเข้าใจยังงั้นกลับไปบ้านไปเจอหน้าสามีบอกเขาว่าไง อยาคิดว่าฉันเป็นคนดีนะบอกเขาอยากคิดว่าฉันเป็นคนดีนะที่ฉันดูดีตอนนี้เพราะฉันยังไม่ได้โอกาสชั่วนะบอกเขาดอกได้ไั้ยพูดคานี้ได้ไหมใช่ไหมใช่นั่นจะเอาไปพูดจริงๆนะเนี่ยอย่าไปพูดไม่เอาพระ บ, บอกให้รู้ตัวว่าจริงๆแล้วอย่าไปคิดว่าเรา เราดีแล้วมันยังไม่ดีหรอกนะลองได้เรื่องขัดใจเราจะโอ้โหเหไหมเหมือนอะไรนะเหมือนนางเวเทหิกากับนางกาลียนางเวเทหิเนี่ยเป็นคนที่เขาลือกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยในกรุงราชคลือโอ้ยนางเป็นคนสงบสงเยี่ยมเจียมตนเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนไม่ปากกล้าไม่น้านิว้วไม่คิ้วขมวด <c oughs> ไม่ปากกล้า ได้รับรางวัลมารยาทดีเด่นได้รับรางวัลเนี่ยนะไปไหนไหนโอ้โมารยาทดีเด่นหวังกันเถอะไปไปมาคนใช้กันนึกในใจเออนายนายหญิงของเราเนี่ยเป็นคนที่ได้รับรางวัลดีเด่นของกรุงราชเถือจริงไหมเน้อ no, เนี่ยเออเป็นคนไม่ปากกล้าไม่ว่าร้ายไม่ขี้โกรธจริงหรือเปล่าน้อ no, เนี่ยเออเราอยากจะทดลองดีจังดูอย่างดีเห็นไหมเนี่ย ไปเจอผู้หญิงคนนี้เขา้ามันทดลองเลยไปเจอคนใช้มันฉลาดเขา้าก็ทดลองเอ๊ะที่นายหญิงของเราที่ไม่บน่นไม่ด่าไม่ด่าไม่ว่าไม่จุกจิกทั้งหลายเหล่านี้ไม่น่านิน่วคิ้วขมดเป็นเพราะเราจัดการงานดีหรือเกล่าเนาะอยากอย่างนั้นเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะนอนตื่นสายแล้วมันก็แกล้งนอนดื่นสายเลยไม่ลุกขึ้นมาทํางานบ้านอย่างเก่าแล้วปกติเคยนอนตื่นตีเท่าไหร่ของเราตื่นตีเท่าไหร่อันนี้นอนหกโมงตื่นหกโมง เชื่อกลับไปวันแรกแล้วก็ตื่นเท่าไหร่พอกลับจากยูพุทธปุ๊บก็กลับเข้าสภาพเดิมสภาพเดิมคือเท่าไหร่หโมง8ดโมงเช้านี่ยนางก็นอนตื่นสายโอ้โหพอตื่นสายขึ้นมานางเวเทหิกาขัดเครื่องไหม รีบถามว่าเฮ้ยเจ้าการีทาไมเองถึงนอนตื่นสายเองเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นอะไรหรอกจ้าเจ้านา ย, นยอาทำไมถึงตื่นสายบอกไม่มีอะไรเจ้าข้าเสียงคุณขึ้นมาแล้วคนใช้ก็รู้ทันทีออนายหญิงของเราที่ได้รับรางวัลสงบส ง, งียมเจียมตนแท้ที่จริงอ่ะเพราะเราจัดงานงานดีนี่ว่า ไม่ได้สงบสงี่ยมจริงหรอกเอออยากจะดูยังว่าสามารถจะสะกดความโกรธได้หรือไม่ก็เลยวันไม่ใช่หกโมงแล้วเท่าไหร่รู้ไหมแปดโมงเลยตอนนี้โอ้โหพอวันที่สองนี่เสียงแปลนมาเลยตะโกนเลยเฮ้ยอีกาลีทําไมมึงจึงนอนตื่นสายเสียงแปลนมาแล้วรู้หรือยังตอนนี้คนใช้รู้หรือยังว่าจริงๆแล้วไม่ใช่คนสงบสงี่ยมรู้ไม่รู้ รู้แล้วแต่อยากจะทดลองอีกดูสิเนี่ยวันที่สามตื่นเก้าโมงเช้าเลยนางเวทีกาถอดลิ่มประตูขว้างศรีรษะแตกโอ้โห oh, ด่าด้วยแล้วคว้างศรีรษะแตกนางก็วิ่งคุมศรีรษะวิ่งออกจากบ้านแล้วก็ไปโพธนาดูสินางกาลีเอนางเวทีกาเนี่ย แค่ข้าพเจ้านอนตื่นสายโทษคือการตื่นสายแต่นางเอาริมริ่มประตูกรอบประตูกว้างศสียสาข้าพเจ้าแตกฉะนั้นที่ท่านได้รับรางวัลนะ่ยไม่สมควรที่ใครว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมคนเจียมตนคนไม่โกรธนะไม่จริงแล้วดูสิเนี่ยนางก็เลยเสียชื่อฉะนั้นพุทธบริษัทจะไปวัดกันเพียงแค่ว่าได้ที่อยู่ดีๆแล้วดูสงบเสงี่ยม ได้อาหารอร่อยอร่อยและสงบเสงี่ยมใช่ไหมได้เครื่องนุ่งห่มที่ดีๆและสงบเสงี่ยมได้ยาที่เหมาะสมแก่โรคและสงบเสงี่ยมวัดแค่นี้ไม่ได้แต่ถ้าจะวัดถ้าได้อาหารที่ไม่ถูกใจก็ยังสงบเสงี่ยมอยู่ได้ได้ที่อยู่ที่ไม่ถูกใจก็ยังสงบเสงี่ยมเจียมตนอยู่ได้ได้อาหารได้ที่อยู่ได้เครื่องนุ่งห่มได้ยาที่ไม่ถูกใจและได้คําพูดที่ไม่เพราะ ก็ยังสงบเสงี่ยมเจียมตนเนี้ยถ้าในลักษณะนี้จึงจะจัดว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมจริงใช่ไหมพวกเราเป็นคนสงบเส ง, เงมมี่ยมไหมเอาไหมเอามาลองเปลี่ยนคําพูดดูไหมเอาไหมเอาเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นคำจากคําว่าจเจริพญพรญาติยอมต่างหลายกลายเป็นอีกคำหนึ่งเราจะเอามาจะพูดให้เราไม่สงบเสงี่ยมก็ได้นะได้ไหมได้ไม่ได้อะถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนคําพูดอีกคําเนึ่งอ ใช่ไหมทั้า้าเรามีใครมาพูดกับเราดีๆเราจะสงบสงเงียมไหมแต่ถ้าพูดไม่ดีอาการสงบสงเงียมก็หายไปอย่างนี้เป็นต้นข้อที่สาเดี๋ยวจะหมดเวลาเพียนเพื่อทำกุศลใหม่เพียนทำกุศลใหม่ ใครเคยเจริญอาณาปณะสติมาแล้วยกมือขึ้นเคยมาแล้วใครไม่เคยเจริญมาเลยเพิ่งจะมาเจริญนี้แล้วที่ไม่ยกแปลว่าอะไรคืออย่างนี้นะว่าการเจริญสติปัฏฐานหรือการเจริญอาณาปณะสติเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เขาเรียกเป็นกุศลใหม่หรือเก่านี่เป็นกุศลใหม่ที่ยังไม่เคย ถึงแม้เคยทำมาแล้วแต่ยังไม่เคยพัฒนาเขาอย่างเช่นสติที่สามารถบางคนเนี่ยเคยทำมาแล้วอาจจะเคยนั่งได้แค่30นาที1ินาทีเนี่ยแต่ต่อมาสามารถพัฒนาจากการเจริญอาณาปณะสตินี่พัฒนาจาก30นาทีเป็น40นาที50นาทีเป็นชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงติดต่อกันได้อย่างต่อเนื่องลักษณะนี้เขาเรียกว่าเาเรียกว่าอะไร เพียรเพื่อกระทำกุศลใหม่เป็นกุศลที่ไม่เคยบำเพ็ญมาเลยในพบก่อนด้วยใช่ไหมล่ะถ้าเราเคยเจริญสติปัฏฐานสี่มาในพบก่อนตอนนี้เราพ้นทุกข์หรื อ, อยังพ้นหรื อ, อยังพ้นหรื อ, อยังเรียบร้อยแล้วเราไม่มานั่งกันปวดปวดเมือม่อยกัน อ, อยู่แถวนี้หรอกนี่เนี่ยชี้หน้ากันได้หมดเลยนะเนี่ยไม่ยอมเจริญสติปัฏฐานสี่มาตอนที่บุรเจ้าอุบัติเกิดขึ้น ตอนนี้เราเกิดมาทันพระพุทธเจ้าไหมทันไม่ทันทันไม่ทันทันทันศาสนาของพระชินชาเจ้าเพราะการศาสนาพุทธเจ้ายังไม่หมดอายุไขนั้นตอนนี้ถ้าไม่รีบเจริญตอนนี้จะไปเจริญตอนไหนไม่ได้แล้วต้องรีบแล้วใช่ไหมเราถ้าถ้าวันใด เกิดความเกียจค้านในการเจริญสติปัฏฐานจเจริญอานาปานสติวันนั้นท่านทั้งหลายจะปรึกษาใครถึงจะเกิดความเพียรอา้าวปรึกษาใครยอมปรึกษาใครปรึกษาใครฮะให้ปรึกษาลมหายใจนะย้อนกลับไปถามลมหายใจว่าลมหายใจเนี่ยมันจะอยู่ได้อีกกี่วัน ตอนนี้มันยังมีที่ตั้งของการเจริญอาณาบรพนสติอยู่รีบเจริญเสียถ้าวันใดลมหายใจไม่มีแล้วท่านจะเสียใจภายหลัง mm hmm. เขาจะยังฉะนั้นให้มันปรึกษาลมหายใจทุกวันไหมให้มันปรึกษาลมหายใจทุกวัน เ, เราคิดว่าเราจะได้หายใจกันอีกกี่วันฮะน่าเป็นห่วงไหมเราประมาทกันเยอะไหมเนี่ย ประมาทเยอะนะงั้นเพียรเจริญเพียรทากุศลใหม่ประการที่สี่ก็คือเพียรเพื่อเพิ่มพูนกุศลเก่าก็คือว่าเพียรในการที่จะเจริญสติสมาธิและปัญญาที่ยังไม่เกิดไหมเพียรเจริญกุศลก็คือเพียรที่จะทำกุศลรักษากุศลเนี่ยก็แปลว่าทากุศลที่ยังที่เกิดขึ้นมาแล้วมาให้เจริญไพยบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปตอนนี้สติของเรา ยังเป็นเพียงเริ่มต้นใช่ไหมสติของเรายังไม่สามารถไปรวมกันกับขณนิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิสติของเรายังไม่สามารถไปเกิดร่วมกับวิปัสสนาญาณจนไปประชุมในโลกุตรธรรมเป็นต้นได้เขาใหญ่ยังงั้นสติสมาธิและปัญญาอภการต่อมาก็คือสัมปชานโนนี่เป็นชื่อของปัญญา ปัญญาอย่างเห็นก็หมายความว่าอย่างเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงมันอย่างเห็นสองอย่างนะอย่างเห็นสภาวะลักษณะกับคานอย่างเห็นสามัญลักษณะคําว่าปัญญาหรือสัมปชัญญโญเนี่ยคำว่าอย่างเห็นสภาวะลักษณะก็คือลักษณะเฉพาะตัวของรูปนามนั้นแต่ปัญญาเนี่ยหนักเข้าเนี่ยให้มองเห็นอย่างนี้ว่าเราเราเนี่ยตอนนี้ปัญญายังไม่เกิด คนที่ปัญญาเกิดเนี่ยเขาจะสามารถยังเห็นความจริงของรูปและนามตามความเป็นจริงได้เขาเห็นลักษณะเห็นสภาวะลักษณะถึงจะไปเห็นโดยสามัญลักษณะเอ า, ามานึกดูนะว่าทุกวันเนี้ยเราเราถูกสมมุติบางคนก็ถูกสมมุติให้เป็นนายจ้างบาง สมมุติให้เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นแม่ค้าเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นครูใช่ไหมถามว่าอย่างนี้ใช่สมมุติไหมโอ้สมมุติเนี่ยแต่เห็นไหมได้สมมุติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่ตายายายเป็นนายนะครับนะครับเป็นชื่อต่างๆก็มีชื่อต่างกันออกไปสมมุติว่เลยนะเนี่ยเนี่ยปัญญาปัญญาที่ยังไม่ย่างเห็นความจริงมันก็จะติดอยู่แค่นี้ติดสมมติ นะก็ติดด้วยความเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนขาวคนดำานนี้ไปเลยตรงนี้นี่เขาเรียกว่าปัญญาที่ยังไม่รู้สมมติตามความเป็นจริงมันยังติดสมมุติอยู่แต่ถ้าหากพัฒนาปัญญาจนสามารถเข้าไปยังเห็นความจริงได้แล้วเนี่ยก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อที่เขาสมมุติกันเพื่อประโยชน์อะไรย้อมเวลาไปอยู่กับพ่อแม่เราเป็นอะไร เป็นอะไรเป็นลูกไปอยู่กับลูกเราเป็นไปอยู่กับน้องไปอยู่กับพี่ไปอยู่กับลุงไปอยู่กับหลานฮะชักจะไม่ค่อยเป็นแล้วชันจะยุ่งๆแล้วถ้าไปเรียนหนังสือไปสอนหนังสือไปรักษาคนไข้ไปหา ถ้าไปรักษาตัวเองตัวเองป่วยไปหาใครไปเป็นอะไรแล้วมานั่งอยู่นี้เป็นอะไรเป็นอะไรนะโอ้โหชื่อเรียกชื่อเฉพาะเลยลโยคีก็แปลว่าอะไรโยคีแปลว่าอะไรฮะโยคะโ ย, ค, ยคีก็แปลผู้ประกอบความเพียรผู้มีโยคยีเนี่ยมีอยู่คํานึงนะ ผู้มีผู้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นผู้ประกอบเป็นความเพียรเป็นเครื่องตื่นเนี่ยมันอย่างนี้เขาแบ่งเขาแบ่งออกเป็นในปฐมยามมชิมยามปัจฉิมยามกลางคืนแบ่งเป็นสามช่วงจาก6โมงเย็นถึงสี่ทุ่มเขาเรียกปฐมยามจากสี่ทุ่มถึงตีสองเป็นมชิมยามจากทีสองจนถึง6โมงเช้าเป็นปัจฉิมยาม กลางวันไม่นอนตลอดกลางคืนแบ่งเป็นสามช่วงแบ่งเป็นสามช่วงก็คือจากหกโมงถึงสี่ทุ่มอยู่ในยาบทสามยืนเดินนั่งพอจากสี่ทุ่มถึงตีสองอยู่ในยาบทนอนมนานัศิการด้วยสติสัมปชัญญะนะพอจากตีสองไปถึงหโมงก็อยู่ในยาบทสามยืนเดินนั่งเว้นนอน ลักษณะ น, นี้เ็าเรียกมีความเพียรเป็นเครื่องตื่นโยคีก็เป็นแบบนี้ผู้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นพวกเรานอนกี่ทุ่ม น, นกี่ทุ่มกี่ทุ่มนะสามทุ่มตื่นกี่ทุ่มตื่นตีสี่นอนกี่ชั่วโมงลากยาวเลยลากเผลอแอบแอบกลางวันอีกกี่เ <c oughs> ท่าไหร่โอ <c oughs> ้โหนี่โยคี ประกอบความเพียรเห็นหน้าพวกเราน่าชื่นใจมากศรัทธาเกิดมากเอามาไปบิณฑบาตมามาก็นึกเนียเออเนี่ยจะได้อาหารมาให้โยคีให้ผู้ปฏิบัติได้บริโภคกันโอ้วมาเดินบิณฑบาตรอ้ะไดเยอะมากเลยนะพวกเราได้ฉัดได้กินกันบ้างเปล่าได้บ้างเปล่ากินเสร็จแล้วนึกถึงพระบ้างเปล่านึกไหมนึกว่าไงนึกว่าไง เนี่โอ้โหทำไมได้อาหารไม่ดีเลยวันนี้นึกอย่างนี้เปล่าสัมปัชานโนเป็นชื่อของปัญญาเห็นไหมมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะมีสองอย่างก็คือรู้สภาวะลักษณะกับรู้สามัญลักษณะตอนนี้แค่สภาวะลักษณะเราก็ยังไม่รู้เนาะมนุษย์เราก็ติดสมมุติกันเนี่ยกลับไป มานั่งทุกวันนี่เคยมื่นๆตัวเองไหมว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแน่เราเป็นน้องหรือเป็นพี่หรือเป็นเป็นแม่หรือเป็นลูกหรือเป็นอาจารย์หรือเป็นศิษย์หรือเป็นคนไข้หรือเป็นหมอหรือเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่เคยมานั่งงงงไหมเห็นไหมนี่คือบัญญัติสมมติสมมติสมมตินั้นเพื่อเอาไว้จะได้ไม่สับสนแต่ไม่ติดมัน ใช่บางคนเขาสมมติให้เป็นแม่โอ้โ ห, หเดินออกจากความเป็นแม่ไม่ได้มันนั่งอยู่อย่างนี้ก็ยังมีความเป็นแม่ติดมาอยู่นั่นแหละเป็นไหมห่วงลูกเอามีใครจะถามอะไรไมเออเดี๋ยวตอบปัญหาเมื่อกี้มีปัญหามาเนี่ยเขาเขียนว่าอย่างนี้ มีอยู่ข้อเดียวนะีมีปัญหาเรื่องเนี่ยการทำทานที่วัดบางวัดบอกว่ายิ่งทำมากยิ่งได้มากและช่วยตัดเวรตัดกรรมได้ด้วยและยิ่งทำมากจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่มีกี่ประโยคเนี่ยยิ่งทำมากยิ่งได้มากจริงไหมยริงครับทำทานยิ่งทำมากยิ่งได้มากจริงไมมจริงจริงไม่จริ ง, ร ง, รงแล้ว ช่วยตัดเวรตัดกรรมได้ด้วยจริงไหมจริงอาแค่ okay. ว่าทาทานแล้วตัดเวรตัดกรรมยกมือขึ้นดีมีไหมแล้วสามารถได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ด้วยได้ไหมการให้ทานเนี่ยจริงๆแล้วให้ทานเนี่ยเขาให้เพื่ออะไรมันมีไหนวา มันมีฉันททานังให้ด้วยลําเอียงเพราะรักใครเคยเป็นไหมเคยให้ทานแบบนี้ไหมให้ทานด้วยลําเอียงเพราะรักเรารักใครมากมัมีลูกสี่คนรักคนนี้มากแอบให้เรื่อยเลยใช่ไหมฉันทะทานังสองโทสาทานังให้ลําเอียงเพราะโกรธให้ไปด่าไปให้ไปบ่นไปเคยเป็นไหมรู้จักใช้บ้างอะไรบ้างไหมเคยเป็นไม่เป็นสมโมหะทานังให้แบบไม่รู้เรื่องให้แบบโมหะ เคยไหมสี่พญะทานังให้แบบกลัวพอมายุพุทธเขามีประกาศกันแล้วประกาให้เท่านั้นตอนนี้เลยเราไม่ให้ก็กลัวเขาว่าโอ้ยไม่ให้เป็นไหมเคยเป็นไหมสี่อย่างหกุลังสถานังให้ตามประเพณีใครเคยให้ทานดาประเพณีบ้างปู่ตายายยายเคยให้มายัางไงก็ให้ พอถึงวันกรุดสงการก็ให้เชงแมงให้ให้ใหญ่เลยนี้ให้ให้ตามประเพณีอ่ะเคยเป็นไหมเป็นไม่เป็นแปลกมากไหมวันกรุดวันสงการวันขึ้นปีใหม่วันอะไรก็ไม่วันแม่วันพ่อไอ้วันอะไรนะวันวาเลนไทยอะไรก็โอ้ให้กันเยอะหมดเลยให้ใหญ่ใช่ไหมลักษณะนี้ก็เรียกว่าให้อะไรให้ตาม ประเพณีเป็นไหมพวกเราเป็นไม้มประเภทนี้หนึ่งให้ลาเอียงเพราะรักสองให้ลาเอียงเพราะโกรธสามให้ลาเอียงเพราะหลงสมให้ลาเอียงเพราะกลัวสี่ให้ตามประเพณีสรุปแล้วห้าอย่างนี้เป็นมาหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยหมดไม่หมดอา้าวห้ า, าสักษาธนานางให้หวังสุขติโลกสวรรค์ให้แล้วเขาว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ให้ใหญ่เลยเคยไหมหแล้วนะ เจ็ดสมนาธานางให้แล้วดีใจให้แล้วมันรู้สึกมันดีใจก็เลยให้ได้ให้มันสุขใจเป็นครั้งเป็นคราวไปก็เลยให้เคยไหมเอาใครเคยให้ลาเอียงเพราะรักยกมือขึ้นเอาลาเอียงเพราะกโกรธให้ไปโกรธไปลำให้เพราะไม่รู้เขาให้ก็ให้ตามไปโอ้โหให้ลําเอียงเพราะกลัว กัวเสียหน้าเสียชื่อให้ตามประเพณีโอ้โห oh. เอาให้หวังสุคติโลกสวรรค์ให้แล้วมันสบายใจหมดเลยเยนี้ <c oughs> ลักษณะเจ็ดอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการให้ที่ยังมีมีตัญหาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้ยังมีความแง่งอนอยู่ไอ้ตัวตันหาตัวตัญห า, ต, ต, ญหาตัวมานะตัวทิฏฐิมานะแปลว่าอะไร มานะแปลว่าอะไรมานะดีหรือไม่ดีมานะก็แปลว่าเยื่อยิงถือตัวแต่คนไทยเราเนี่ยมานะไปแปลว่าขยันซะนี่ใช่ไหมโอ้ยุ่งเลยในมานะในภาษาไทยนี่ไม่ดีนั้นให้ด้วยตัณหาให้ด้วยมานะให้ด้วยทิฏฐิพระเจ้าบอกว่าถ้าจะให้ให้สมบูรณ์ต้องจิตตะลังกาลาทานังอะไรเรียกว่าจิตตะลังกาลาทานังให้เพื่อปรุงแต่งจิต ให้เพื่อประดับจิตปรงแต่งจิตไปสู่ศีลไปสู่สมาธิไปสู่ปัญญาให้ด้วยความชาญฉลาดให้ที่จะทําให้จิตของตนเองนั้นออกจากบาปอกโซและรำมันชั่วร้ายไหมให้ด้วยการพิจารณาแยกแยะแยกแยะเหตุแยกแยะผลเช่นการให้สังเกตดูนะว่าจิตที่คิดจะให้เนี่ยเวลาเราเอาอาหารไปถวายพระเช่นข้าวเนี่ย ข้าวมีสีไหมมีกลิ่นไหมมีกลิ่นด้วยใช่ไหมให้สีเป็นทานได้ไหมถ้าเราปลาลบอาหารมีข้าวเป็นต้นเนี่ยปลาลบให้สีเป็นทานได้ไหมให้เสียงเป็นทานได้ไหมกิน อ, อาหารประเภทนี้เราจะทําให้ส้มเสียงดีขึ้นให้กลิ่นเป็นทานได้ไหมให้รสเป็นทานให้โปรตีนเป็นทานให้ตัววิตามินคืออาหารนั้นเป็นทานสรุปแล้วเราได้ตรึกคิดแบบนี้ไหม ถ้าการคิดพิจัยว่าให้สีเป็นทานให้เสียงเป็นทานให้รสเป็นทานให้กลิ่นเป็นทานให้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้ตัววิตามินทั้งหลายเป็นทานขอให้ท่านผู้รับนี้จงเป็นผู้มีความสุขเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นการให้ทานเนี่ยยิ่งให้ในที่นี้บอกว่ายิ่งให้มากยิ่งได้มากได้อะไรเนี่ยก็คือได้คุณภาพจิตอย่างนี้ได้นะ ได้สภาพกุศลที่เกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ไปได้อย่างอื่นเพราะว่าการให้เนี่ยไอตัววัตถุถูกสละไปแล้วกิเลสต้องสละด้วยไหมเออในการให้จริงๆก็คือเพื่อต้องการสละตัวเนี้ยสละกิเลสแต่การให้ทานก็ได้อยู่แล้วใช่ไห ม, มนี่จะหมดเวลาให้ให้ด้วยศรัทธา ยอมให้ด้วยศรัท ธ, ธากับให้ด้วยไม่ศัท ธ, ธาต่างกันยังไงศรัท ธ, ธานี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสหรือไม่ผองใสฉะนั้นการให้ด้วยศรัท ธ, ธามีความเชื่อมั่นในเหตุและผลเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมทานกุศลชนิดนี้เมื่อเกิดในภพใดอัตภาพใดแล้วเมื่อได้บุตรได้ภรรยาได้สามีได้ทรัพย์สมบัติได้บริวารมาก็จะได้แต่ของสวยๆเงมๆของที่เลื่อนๆเขาจะอย่าง แต่ถ้าให้โดยจิตที่คุณมัวจิตที่ไม่มีศรัทธาได้ทรัพย์สมบัติได้สิ่งของก็จะได้ของที่ไม่งามไม่เลิศไม่ผ่องใสไม่เจริญตาไม่เจริญใจนี่คือความต่างกัน 2. ให้ด้วยความนอบน้อมกับให้ด้วยจิตแข็งกระด้างใครเคยให้ให้ทานด้วยจิตแข็งกระด้างยกมือที่ให้แบบไม่เครารพอ่ะใครให้ด้วยความเคารพทุกครั้งให้ให้ด้วยความเคารพยกจิตอันประเสริฐขึ้นมาก็ให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยความเคารพ ให้ทานประเภทนี้เกิดในภาพอัตภาพใดถ้าทานกุศลให้ผลมีบุตรบริวารมีสามีมีญาติมิตรทั้งหลายก็จะเชื่อฟังไม่ไม่ขัดแยง้งแต่ถ้าให้โดยไม่ความเคารพให้ด้วยจิตแข็งกระด้างให้ด้วยให้ด้วยจิตที่ไม่โดยด้วยความไม่เคารพเนี่ยมีบุตรหลานญาติมิตรสามีภรรยาหรือบริวารทั้งหลายบริวารก็จะไม่เชื่อฟังเถียงทุกคําพูดคำหนึ่งเถียงคํานึง ยอมมีลูกลูกเถียงไหมเถียงไหมเถียงไม่เถียงลูกเชื่อฟังดีไหมอ้าทำท่าไม่รู้เรื่องอีกไม่มีลูกเลยมีไหมลูกเชื่อฟังดีั้ยเชื่อฟังดีเนะี่ยไม่เคยไม่เคยย้อนพูดคำหนึ่งเขาไม่เคยย้อนเราเลยใช่ไหมพอแม่พูดคำไหนน้องปฏิบัติตามทุกคำเลยอย่างงั้นมะหรือว่าเถียงขอเป็นเอ็น อย่างเงี้ยก็ดูตรงนี้ให้ด้วยความเคารพหรือไม่เคารพเอาให้สลาขาดเออขาไปให้ถูกการหรือผิดการให้ถูกการให้ยังไงถูกการให้ยังไงถวายพระเนี่ยลังเพลยงไปแล้วถวายอาหารได้ไหมเอาเงินไปถวายพระได้ไหมได้ไม่ได้เอาเงินไปถวายพระได้ไหมได้ ไ, ม, ไ, ไ, ดไม่ได้ไ ได้ไม่ได้พระก็ห้ามแต่ก็มีวิธีการนะพรเนี่ยออกมาแล้วสมณะเชื้อสายสักยบุตรพุธทธชีน โ, นโรสเนี่ยไม่ยินดีเงินและทองนไม่รับเงินและทองออพระพุทธเจ้าวางหลักการไว้ว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็ต้องหาทรัพย ใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องเงินกับ เ, เรื่องการมาคุณแต่ถ้าหากว่าออกมาแล้วก็จะต้องสละเรื่องเหล่านี้เนาะเออตรงนี้เราก็ต้องดูว่าอันนี้ผิดเป็นเป็นอาการลทานนะถ้าเราไปเอาไปใส่มือท่านเลยให้ท่านรับเนี่ยเว้นไว้แต่ว่ามีวิธีการถามท่านมีวั ย, ยาวจากรไหมยอมไม่มีโอกาสอยากจะถวายอาหารท่านอยากถวายจีวรท่านอยากถวายที่อยู่อยากถวายยาท่าน นี่พระรับสิ่งนี้ได้แต่เงินไม่ได้แต่โยมเนี่ยไม่มีโอกาสมาถวายแต่มีปัจจัยตัวนี้จะสามารถไปเปลี่ยนเป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นยาเป็นอาหารได้ฉะนั้นฝากไว้กับไว้แย่วาจักรของท่านหรือคนวัดของท่านอย่างนี้แล้วก็มาแจ้งจำลองกับพระอันนี้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไปให้พระถือใส่ ย, ย่ามท่านโอ้มีซองายัดใส่ย่ามท่านเออนี่ผิดเลยเสียเลยไอนตัวนี่เป็นกะอาการละคนให้แบบนี้จะได้ จะทำให้ตนเองผิดหวังจะให้ผิดหวังได้อะไรก็ได้ผิดการเช่นอะไรเดียตอนปวดหัวเขาไปยได้ยากแก้ปวดท้องอะ่ะเขาย้าย่างตอนฝนตกไปได้อะไรดีได้ล่มขา ด, ขาดตอนป่วย หิวมากเกิดมาอยากจะกินอาหารดีๆก็ไม่ได้กินอยากจะได้ที่อยู่ดีๆก็ไม่ได้นะอยากจะได้เสื้อผ้าดีๆก็ไม่ได้แต่พอตอนป่วยแส้วใกล้ตายมีแต่คนเอาของไปให้เตมมดเลยเนี่ยมันจะได้ผิดการแบบนี้แหละได้อะไรได้ผิดการผิดเวลาเนี่ยแล้วอะไรกันให้สลาขาดการให้ <c oughs> การให้ต้องสลาขาดไอ้คำว่าสลาขาดเนี่ยเอยเมื่อกี้ยมเอานี้มาถวายใช่ ยอมถ้ายอมถวายแต่มาพบเอามารับพบนี่เป็นของพระหรือยังพระคว้างทิ้งต่อหน้ายอมเลยโกรธไหมจริงเ่ยเอาปิดปุ๊บก็เททิ้งต่อหน้าเลยยอมสาธุชื่นใจเลยไหมเดี๋ยวยอมจะไปหามาให้ใหม่เป็นงั้นไหมว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งนะถวายทำไอ้สร้างพระสร้างกูดีอะถวายถวายพุทธแก้าถวายสงเนี่ย ไอ้ไอ้คนที่โกรธเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีไปนั่งฟังธรรมอยู่ไอ้เจ้าเนี้ยไปเผากุติแล้วมีลูกน้องเศรษฐีม า, มาบอกว่ากุติเมื่อวานที่สร้างถวายผ้าโดนไฟเผาแล้วเศรษฐีทำไงอะ่ะตอบมือสาธุใช่ไหมเอ้ยเนี้ยอย่างนี้เขาสลาขาดไหมสลาขาดโอ้ยิ่งหนักกว่านั้นคติการาเนี่ยคติการานี่ตอนที่ พระพุทธเจ้าใช่ไหมคติการะนี่เป็นยมอุปถาพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าคุ้นเคยมากพระเจ้าองค์ก่อนเนี่นะคุ้นเคยมากในวันนั้นนะ่ะเกิไดไอ้พายุใหญ่พัดพัดพระคันธกดีของพุทธเจ้าหลังคาพังหมดเลยพระเจ้าก็บอกภิกษุสงฆ์อ่ะให้ไปรื้อหลังคาบ้านของคติการะตอนนั้นคติการะไปเข้าไปในป่าเนะ ก็ไปรื้อหลังคาบ้านเขามามุงพระคัรนกุฏิของพระทเจ้าขัดีกาลกลับมาบ้านถูกลื้อหมดแล้วพอกลับมาหัวปีติเกิดตั้งสามเดือนเอาสมมติกลับไปบ้านปุ๊บเน้นเอกให้เน้นบอมไปเอาไปรื้อหลังคาบ้านยอมไปมุงกุฏิท่านกลับไปถึงบ้านบอกว่ามีคนเขียนไว้อตมา ให้สัมมาเนรมาลือหลังคาบ้านยอมไปมุงกุฏิอาตมารเรียบร้อยแล้วยอมกลับไปก็สาทุนน้ําตาไหลเลยไหมพิติเกิดไหมพิติว่าพิธีเกิดโทรศัพท์ทันทีเลยแจ้งตํารวจไปจับไทำกันเกินไปแล้วนี่ใช่ไหมยิงไม่จริงยอมจะปีติไหมปีติไหม ถ้าอาจมาจะคุ้นเคยอ่ะจะทําความคุ้นเคยอย่างนี้ขึ้นมาเฮ้ยรูกข่าวว่าบ้านโยมอยู่ตรงไหนเอาแล้ว้องถามที่บ้านโยมคนนี้อยู่ตรงไหนช่วยติดตามหน่อยเดี๋นี้ให้วัยรุ่นสักสี่ห้าคนไปช่วยรื้อบ้านเนี่ยพอดีอามาต้องการอยากได้กุฏิสวยๆสักหลังอ่ะยมจะดีใจไหมดีใจไม่ดีใจเนี่ยเห็นไหมแต่คนที่เขาคุ้นเคยกับพระรัตนตรยัยเขาจะดีใจมากเขาจะดีใจมาก เนี่ยคติกาลาปีติเกิดตลอดทั้งการให้ก็ให้สละขาดนะถ้าให้ต้องสละขาดถ้าให้สลขาดแล้วเนี่ยว่าผลกุศลชนิดนี้ให้ผลแล้วเนี่ยได้ของมาแล้วกล้ากินกล้าใช้กล้าทำบุญยอมเคยเห็นบางคนเป็นได้แค่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไหมเคยเห็นไหมล่ะหรือตัวยอมเป็นเอง ได้เสื้อผ้ามาก็ไม่กล้าสละเฝ้ามันอยู่นั่าแหละจนขาดได้บ้านมาก็เฝ้าจะจะให้ใครก็ไม่กล้าให้ได้ทรัพย์มาได้อะไรมาไม่กล้าไปทําประโยชน์เลยได้รถมาโอ้โหไม่กล้าใช้ไม่ค่อยกล้าใช้ได้ของมาก็เฝ้าหรือไปเฝ้าทรัพย์ให้คนอื่นเป็นไหมมีใครเป็นแบบนั้นไหมลักษณะอย่างนี้เขาเรียกการให้ทานที่ไม่สละขาดเป็นแบบนี้ ถ้าให้แบบสละขากล้ากินกล้าใช้กล้าลงทุนอีกอย่างหนึ่งก็ให้โดยการไม่ไม่มีจิตแง่งอนไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยคําว่าไม่มีจิตแง่งอนก็คือให้แบบเไม่กระทบตนและบุคคลอื่นบางคนให้ทานแต่ละทียังมีการเปรียบเทียบนะเนอะเฮ้ยเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราทานเราดีกว่าเขาทานคนนั้นก็ดีกว่าเราเราสู้เขาได้เขาสู้เราไม่ได้เคยเป็นไหมแบบเนี้ยเฮ้ยเขาทำห้าร้อยฉันจะไปทําอย่างเขาไม่ได้แล้วเรามันจนกว่าเขาจะ่ไปหมิ่นเขาแล้ว ไปหมิ่นทานกูเขาหมิ่นการกระทำเขาเป็นไหมแบบเนี้ยให้ทานประเภทนี้มีบ้านน้ำก็ท่วมมีรถไปจอดไว้ที่ไหนก็โดนขูดโดนใช่ไหมเป็นไหมเออไปจอดรถไว้ที่ไหนสุ น, นัขวิ่ ง, ว, ง, ว, งวิ่งไปมันก็ปัสสาวะรถปัสสาวะรถเคยเป็นไหมเออรถคนอื่นไม่่อยเป็นไปจอดบางทีก็ถูกล็อกล้อบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันจะโดนเ มีบ้านก็ขโมยขึ้นบ้านอยู่นั่นแหละบ้านอื่นก็ไม่ขึ้นขึ้นแต่บ้านเราลักษณะอย่างนี้เขาเราียกว่าท็อปตนและบุคคลอื่นฉะนั้นตรงนี้ที่จะพูดให้ฟังก็เรื่องทานเนี่ยเนี่ยเรื่องทานว่าจริงๆแล้วการให้ทานไม่ใช่เป็นเรื่องการตัดกรรมสองการให้ทานไม่ใช่ให้แล้วเพื่อจะได้ไปเฝ้องพระเจ้ามคนละเรื่องกันนะให้ทานในที่นี้เป็นเรื่องการขัดเกลาเรื่องการขัดเกลา์กิเลสขันห้าหมาย มีขันขันเดียวอ๋อมีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันพวกเราไงห้าขันเรามีรูปประขันไหมมีเวทนาขันไหมความรู้สึกสุขทุกข์มีไหมมีสัญญาขันไหมความจําได้หมายรู้มีสังขารละขันไหมปรุงแต่งจิตที่เป็นบุญเป็นบาปมีไหมวิญญาณขันก็คือการรู้วรมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกเราเนี่ยมีขันห้าถ้เรียกย่อเรียกกายกับใจรูปกับนามนี่ขันห้า ขันเดียวขันเดียวนี่มีสัตว์อยู่จําพวกห น, น, นึ่งเขาเรยียกอสัญญสัตวภพเออสัญญาสัตวบุคคลอสัญญาสัตต์พรมเนี่ยก็มีแค่รูปประคันอยู่เออแปลกมากพวกนี้เขาทาฌานสมาบัติเขาจเจริญสัญญาเวราฆาปวนาคําว่าสัญญาเวลาภาวนาก็แปลว่าเขาเขาเบื่อรูปเบื่อนา ม, มาทำพอเขาเบื่อนา ม, มาทำเนี่ยเขาก็ทําฌานสมาบัติได้ใช่ไหม พอได้ฌานสมาบัติเบีเสร็จแล้วเขาก็มีเจตจำนงจะไม่เอาไอเจตนาที่มันมันบวกกับพลังของสมาธิที่มีพลังเนี่ยนั่นไอเจตนาที่มีกําลังของสมาธิที่มีพลังเนี่ยเขาไปมีไปทําลายไปปิดกั้นที่จะไม่เอานามมาทําห้เวลาเขาตายแล้วเนี่ยเลย ปิดนะไอ้กำลังของสมาธิกาลังของเจตจํานงเขาเนี่ยไอ้กำลังของกรรมที่มีพลังเขาเนี่ยเลยปิดกัน้นทําให้เขาไม่มีนมามธรรมมีเฉพาะรูปอย่างเดียวอายุของเขาไปเกิดอยู่อย่างนั้นน่ะห้ารมหากรับเอออย่างเงี้ยถ้าเขาอยู่ในยาบทนั่งเขาก็ไปนั่งอยู่งั้นแหละย้ายบทนอนก็ไปนอนอยู่งี้เป็นต้นเนีย่ยพรมประเภทนี้มันมีอยู่ก็เรียกมีขันเดียวส่วนสี่ขันนั้นหมายถึงอรูปะพรม กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายมากการมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมันต้องบริหารเยอะยากอ่ะยอมยังเบื่อเลยใช่ไหมเบื่อไหมเนี่ยเบื่อไม่มีผมอ่ะเบื่อไหมเบื่อไม่เบื่อมีผมเบื่อไหมยองไม่เบื่ออีกมีขนเบื่อไหมขนเน่ยเบื่อไหมไม่เบื่ออีกงั้นขอให้ขนยาวๆเนี่ย มีเล็บเบื่อไหมเล็บฟันเบื่อไหมหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมีไตมีตับมีปอดมีหัวใจมีไส้ใหญ่ไส้น้อ ย, อยมีอาหารเก่าอุจจาระเบื่อไหมอุจจาะเบื่อไหมที่มันอยู่ในท้องไงตอนนี้เบื่อไหมตอนนี้มันออกเป็นสีเหลืองๆแล้วเนี่ยมันเข้าไปเน่ะเบื่อไหมเอ ดีเสเลตหนองเลือดเหงือ่อมันข้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายเบื่อไม่น้ำลายเนี่ยน้ำปัสสาวะเบื่อไหมมันอยู่ในนี้ไหมเนี่ยมันสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งของรูกธรรม ท, ทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อทั้งนั้นแหละดีนะพวกเราถ้ามันมียานปัญญาอย่างเหียนนี่เราจะนั่งโอ้โหไม่อยากจะนั่งใกล้กันเลยไอ้หัวใจก็เต้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหมไอปอดก็อยู่เนี้ยนะ ตับก็ทํางานอยู่ไตก็ทํางา น, อ ย, ายงานอยู่สมองสมองโอ้ดูแล้วมันหน้าเสีิดสีเอียนตลอดเวลาเลยนะเนี่ยเราก็เอาอะไรมาปิ ด, ป, ดปิดกันก็ไว้ถ้าไม่ปิดไว้เนี่ยหัวไม่ไหวเล ย, เยเอา้าวถ้าเอาข้างนอกมาไว้ข้างในข้างในไว้ข้างนอกอา่าสมมตินะปิ้นเอ า, เอาพริกเลยพริกเอาตับเอาไตาเอาปอดเอาไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่มายเรียงรายอยู่ข้างนอกแล้วเราจะนั่งคุยกันได้ไหมเนี่ยทุกคนต้องถืออะไร ถืออะไรถือถืออะไรคอยปัดมแมลงวันไงมันจะวิ่งตอมตลอดเวลาเลยใช่ไหมละ่ะไม่เป็นอันได้คุยอะไรกันแล้วเนี่ยยังจะมีรักกันไหมแต่เนี้ยมีไมโอ้โหระยงระยายเลยบางคนอา้าวถ้าออกมาอย่างนั้นคิดว่าของเราจะน่าเกลียิที่สุดหรือของคนอื่นจะน่าเกลียิที่สุดก็ยังมองของคนอื่นน่าเกลียดอยู่ดี โอ้ยไม่มีอันไม่มีเวลาทำมาหากินกันแล้วเดีเวนี้วันวันก็นั่งคอยลัดถือแท่กันคนละอันคอยวิ่งไล่มแมลงวันเคยเคยผ่าศพไ้มโยมเคยใช่ไหมและเป็นยังไงอา้าวระหว่างผ่าศพช้างกับศพคนเนี่ยศพอะไรดูน่าผ่ามากกว่ากันศพช้างผ่าศพช้างมันยังดูดีกว่านะ ศพหมูอ่ะศพหมูกับศพมนุษย์เนี่ยศพ อ, อะไรน่าพาคกว่าโอ้หมนุษย์นี่เหม็นมากกว่าสัตว์เดรัจฉานโอเหม็นจริงๆนะหรือยอมไม่เชื่อโอ้โหอิสเอียนมากถ้าไปพาตอนนั้นไปดูกันนี่แหละไปพิจารณาซากศพกันนี่แหละไปที่โรงพยาบาลศิริราชกั น, นไปขอดูพระก็ไปด้วยกันพระเป็นลมซะสององค์ หมดธาวขอหมดสภาพเลยกลับไปว่าโอ้ท่านเมียอย่ามากมก็พร้อมเองเมีอายก็น่าดูทําพอไปเห็นก็จริงเข่าเคิร์ออนบนและผ้ะไปไม่ไปไปไม่เป็นแล้วว่าจะพิจารณาหน่อยกลับมาท่านจะไปเล่าใครฟังนะก้องโอ้ไปเห็นแล้วไม่น่าดูเลยนะมนุษย์เออแกนี่ามาเล่าเรื่องอะไรเนะี่ย เล่าเรื่องขันขันเดียวใช่ไหมอสัญญาสัตพมแล้วก็เรื่องอรูปปพรมอรูปประพรมเนี่ยเขามีสี่มีเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันรูปขันมีสรุปก็คือว่าเวลาอุทิศส่วนกุศลมีขันขันเดียวมีขันห้าขันมีขันสี่ขันกําลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีฉะนั้นอุทิศส่วนกุศลให้กษัตริย์ทุกเจมพวกเขาใจยังอ้าวงั้นก็ตั้งใจสัตว์ทั้งหลาย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 ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขทุกเมื่อจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธินสาธุสาธุสาธ